Thank you. ทำมาวันนี้วันที่สามแนะปกติคนเราทำอะไรเนี่ยครั้งแรกก็เหมือนชิมครั้งที่สองก็เหมือนสงสัยครั้งที่สามเนี่ยคือทำให้มันหายสงสัยเดี๋ยวเป็นการลิมลสกันจริงๆเลยการปฏิบัติธรรมก็คล้ายๆกันนะวันที่หนึ่ง อาจจะทดสอบทดลองแต่ก็คิดว่าเกือบร้อยเอร์เซ็นนะแพ้กับกิเลสเนะ่ยคือมันตัดความอะไรในอดีตไม่ค่อยได้ภาระธุระอะไรที่เราเคยไปเกี่ยวพ้องผูกพันมาเนี่ยมเจาออกทีเดียวเลยเนี่ยยาก วันที่สองก็เริ่มวันที่หนึ่งอาจจะหาสถานที่ด้วยหากาย<ม>หาใจตัวเองด้วยแต่วันที่สองก็เริ่มลงหลักปักฐานละเริ่มทดสอบทดลองในการใช้<ม>กดว่าได้ผลไม่ได้ผลมีข้อบอกพร่องอะไรอยางไงเนี้ยเริ่มเข้าใจหรือบางทีก็ย้ายสถานที่บงังตรงนั้นตรงนี้ตัวนี้เหมาะ ตัวนี้ไม่เหมาะโดวยเฉพาะคนใหม่เนี่ยการศึกษาเรื่องอากาศเรื่องอาหารสถานที่เนี่ยไม่เป็นเอาซะเลยนะยิ่งว่าจะผ่านไปสักวันสองวันก่อนถึงจะเริ่มเข้าใจว่าจะกินยังไงสถานที่ใหม่ๆจะทําการหลับการนอนเนี่ยจะทํายังไงที่ปฏิบัติทำเนี่ยมันก็เริ่ม เขาเดินกันยังไงอะเดินจุกลมเดินหาอะไรแล้วได้อะไรเดินยังไงไม่ให้หลับในการะไรกันก็อาศัยหมู่สาไฮเพื่อนฝูงเนี่ยเป็นครูในการน้อมมาใส่ตัวเองโอ้เขาตั้งใจเนาะคนนั้นก็ตั้งใจปฏิบัติคนนี้ก็ตั้งใจทำเมือนว่าเขาสอนเรานะี่ พระท่านก็ตั้งใจสอนอะไรที่มันมีความต้องการเหตุปัจจัยจากข้างนอกเนี่ยมันเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันจะได้หรือมันไม่ได้เราต้องการอะไรมันมีให้ไหมมันอาจจะมีให้หรือไม่มีให้เป็นไปได้ทั้งสองอย่างแต่ในขณะเดียวกันตัวเราเองก็ต้องทำใจ พอมันไม่ได้หมายเขาว่าอยากได้อะไรแล้วมันจะได้เหมือนเมื่อก่อนมีให้หมดเนะ่ยเป็นเหมือนเท ว, วดากดสวิตอะไรก็ได้แต่ดีแต่นี่มันไม่ได้มันก็มีสองอย่างคือได้วัตถุสิ่งของมาตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกคำว่าหนึ่งก็คือต้องทําใจปรับเปลี่ยนความรู้สึกหรือทําความเข้าใจมันนะนะดับมันศูนย์มันสลายมันทำให้มันหาย หรือให้มันมาลายไปซึ่งประเด็นหลังนี่เราจะไม่ค่อยเคยทาส่วนมากในวิถีชีวิตเราเราพยายามที่จะหาอะไรมาตอบสนองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็วิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอาให้ได้ให้มีให้เป็นให้ได้จนทางเรามายืนอยู่ณจุดนี้หลายหลายคนก็เชื่อว่ายังไม่พอใจในวิถีชีวิตของตัวเองยังอยากจะก้าวไปข้างหน้าอยากจะเป็นนนเป็นนี่ อย่ากจะมีสมมุติทางสังคมที่ดีๆไปมากกว่าเนี้ยอย่าได้อำนาจเพราะอำนาจเป็นยอดของอามิตรทั้งหลายทั้งปวงตัวอำนาจเนี่ยมันจะได้มาซึ่งลาบยศสารเสริญสุขคือโลกียธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอำนาจ นั้นลหลายๆคนนะสมัยคาอำนาจผู้หญิงถ้าเขาจะรักผู้ชายเขาก็รักคนที่มีอํานาจเพราะอํานาจมันจะอํานวยผลให้เขาทุกอย่างในโลกียธรรมแต่คนที่ใยสันติใยสัจจะนี่เขาจะมองเห็นว่าอํานาจโลกธรําทั้งหลายทั้งปวง มันมีความเสื่อมมันมีความไม่เที่ยงในตัวของมันเองนั่นเขาก็มองข้ามลาบยศเสริเสริญมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ไม่ได้ยึดติดกับมันไม่ได้มีการแสวงหาอะไรที่มากไปกว่านั้นคลยๆว่าแสวงหามาสักพักหนึ่งชีวิตเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งก็เบนเข็มสวงหาสัจธรรมมากกว่าที่จะมุ่งไปเพื่ออำนาจวาสนาหยดธามรมดาศักติ์ ตำแหน่งหน้าที่การงานคือเอาพออยู่ได้ไม่ต้องเอาดังเอาดีเอาเด่นนะเหมือนเขาเรียกว่าไม่ต้องบ้าคลั่งกับความรู้สึกแบบนั้นแต่เอาพออยู่ได้ชีวิตเนี่ยยิ่งถาหาว่าคนไหนที่สามารถมีทำ ม, มีชีวิตความเป็นอยู่แบบพึ่งพาธรรมอาศัยธรรม ก็สามารถที่จะนำทำเนี่ยสู่สังคมได้อีกด้วยสามารถบริหารธุรกิจหน้าที่ภาระองค์กรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ภายใต้การอยู่กับรมอิงทมพึ่งทมคือชีวิตอิงชีวิตจริงถ้าอิงทรมันไม่ทุกข์ชีวิตจริ ง, อ, ง, รงอิงทำไม่ทุกข์นะแต่ถ้าอิงกิเลสก็คืออิงความไม่เที่ยง อิงลาบยศสารเสรินก็อิงความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องทุกเป็นธรรมชาติธรรมดาดังนั้นทำยังไงก็ตามนะชีวิตเนี่ยจึงจะเห็นธรรมคือจริงโลกก็คือการพัฒนาชีวิตนั่นแหละ mm hmm. เพื่อไปสู่ความไม่ทุก mm hmm. เพียงแต่ว่ามันพัฒนาไปได้ไม่ยังไม่ถึงครึ่งยอดของมันคือความไม่มีอะไร ที่มีเยอะๆเนี่ยสุดท้ายคือไม่มีอะไรชีวิตคนการพัฒนาสุดท้ายแล้วก็เหมือนพิรามิดเหมือนเจดีมีจุดมุ่งหมายคือจะทําฉัดมันข้างบนนั่นแหะฉัดมันจะมีเล็กนิดเดียวแต่มันแพงมากกว่าข้างล่างทั้งหมด mm hmm. เราต้องการอันนั้น mm hmm. แต่ข้างล่างเราทําเยอะแยะมากแล้วเกินเนี่ย mm hmm. คนฉลาดเขาไม่นะ เอาคุณไปตั้งเขาทำอะไรก็ได้ใส่เชือกใส่อะไรก็ได้หิ้วขึ้นไปไ น, น, น้น้นหรืออย่างน้อยเขามองว่าอันนั้นมันม่ใช่ของจริงนะไม่มีความจาเป็นที่ต้องเอาอันนั้นมา้อยเพื่อบูชาเขาก็มองมาที่ชีวิตจริงของตัวเองที่ดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมองความจริงจากประสบการณ์ชีวิตจากความเป็นอยู่ในแต่ละขณะขณะขณะ ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงลหลายๆคนนะมีความสุขแล้วพัฒนาบริหารชีวิตได้ในปัจจุบันถ้ายังมีตัวมิจฉาทิถีอยู่จิตนี้มันก็จะมองไปอน า, าคตตะการข้างหน้าลหลายๆคนนะทำเพื่อครอบครัวแล้วก็ทำเพื่อลูกเพื่อหลานยิ่งมากไปกว่า น, นั้นทำเพื่อชาติหน้า คือจิตถ้ามันเป็นตัวตนเนี่ยมันจะเป็นตัวตนอยู่ถึงที่สุดของมันนลยนะมันพอไม่เป็นหนกชีวิตเนี่ยมันพร่องอยู่เรื่อยๆหลายหลายคนนะพัฒนาชีวิตเพื่อชาติหน้านะถ้าเรามีพลังเงินพลังอํานาจเราก็ทําเพื่อชาติน้าแบบคนเชื่อแบบนั้นแต่ถ้าเรามีระดับความเชื่อระดับในน้อยเราก็ทําบุญเพื่อชาติน้าเหมือนกันนะนะี แต่ไม่ได้ทําเพื่อปัจจุบันนะรมเพื่อปัจจุบันขณะแต่ถ้าเราเข้าใจสัจจะมันมเป็นยังไงเราก็ทําเพื่อสัจจะแต่เราไม่ได้ทําเพื่อชาตินี้หรือทําเพื่อชาหน้า mm hmm. ยกตัวอย่างคนที่มองหรือประสบความสำเร็จกับชีวิตมากๆ ม, มองไปชนหน้าคือจินสีเจนซีห้องเต้พระองค์มองชีวิตที่มีความสุขมาก เด็กก็ไม่อยากตายหรือถ้าตายไปก็อยู่ภายใต้ความยิ่งใหญ่เหมือนเดิมมันจึงมีกองทหารดินเผาไงนะยังสร้างเมืองในอนาคตอีกต่างหากสร้างสุสานสร้างอะไรที่อยู่แบบเหมือนชีวิตอนาคตต้องเป็นแบบนั้นลิขิตเอาเองเลยมองทะลุไปนู่นน่ะหรือแม้แต่พวกฟาโร่ทั้งหลายทั้งปวง เขาก็มองแม้ว่าชีวิตนี้เขาเกิดมาประสมควาสำเร็จแล้วแต่เขามองไปที่อนาคตด้วยชาติหน้าด้วยเขาจะต้องมีความสุขไปไหนะคือตัวตนมันทะลุมิติไปโน่นข้ามไปหน่นอีของเราเนี่ยบางคนทะลุมิติไปแค่อืชาตินหน้าคือหลังจากมีครอบมีครัวแล้วมีนาทีการงานเรามองแค่นั้นบางทีนี่เราก็เลยหาได้แค่นั้นแต่ของเขาเขามีแล้วนะ่ะชีวิตมันสุขมันสบายนะั่นสิ่งที่เขามองก็มองไป อนาคตไปแบบนั้นไปอีกไปพบเป็นชาติตายแล้วเกิดอีกไปเรื่อยๆอยีกอยากให้มีความสุขความสบายยึดมั่นถือมันมาดแต่ความเป็นจริงมันเป็นยังไงมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคือมันเป็นของมันตามแบบที่มันเป็นธรรมชาติมันตามหลักของสัจจะสัจจะเป็นยังไงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนับถือศาสนาอะไรสัจจะก็เป็นหนึ่งเดียวของโลกนี่นะ นันจะมองในมุมมองที่เราคิดเองหรือตามหลักของศาสนาของเราที่มันไม่ใช่เรื่องของสัจจะมันก็ออกมาแบบไม่ใช่สัจจะสิ่งที่เราเข้าใจก็ผิดนะแต่มันไม่ใช่สัจจะผลมันก็คือเมื่อมันมีมิจฉาทิฏฐิมันก็ย่อมผิดแล้วส่งผลให้เป็นทุกข์กับเราเพราะเรามองผิดไปจากความจริงหนูว่าทำยังไงชีวิตเนี่ยมันจึงจะมีสัมมาทิฏฐิ ตามทํานองครองธรรมเนี่ยทํานองครองธรรมก็หมายว่าธรรมะคือมันเป็นยังไงเนี่ยเราต้องสามารถเห็นที่เบียงมาที่มันเป็นเราไม่ได้ใช่คิดให้ธรรมะเป็นอย่างที่เราคิดมันไม่ใช่ดังนั้นวิธีชีวิตเนี่ยที่เราดําเนินปัจจุบันเนี่ยเราทําตามความคิดเราว่าความรวยความสวยความมั่งมีสีสุขความมียศถามรรสักอํานาจวาสนาทั้งหลายตั้งค ง, งจะ ส่งผลให้มาซึ่งความสุขไงเราก็ได้แสวงหาให้ได้เยอะๆแต่จนป่านนี้ปูนี้แล้วบางคนก็ยังไม่มีความรู้สึกว่ายอมรับว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเนี่ยอำนาจวัสนายอดฐานดาศักดิ์ไม่ได้ความสุขรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราก็เริ่มมีแนละ้วแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ให้ความมันเป็นความทุกข์ขึ้นเรื่อยๆแต่แหลายๆคนก็ไม่รู้สึกว่าถอย เราไม่รู้สึกเราปล่อยไม่รู้สึกเราวางนะอเรามีความผูกพันแล้ว เ, เห็นไมนี่แหลาะคนเขามีมากกว่าเรานะแต่เขาไม่ได้คิดว่าไปศึกษาหาสัจจะความจริงของชีวิตว่ามันเป็นยังไงเขายังมีความเชื่อเดิมๆว่าความร่ํารวยความสวยความงามยศถาบรรดาศักดิ์อํานาจวัสนาเป็นสิ่งที่ได้มาซึ่งความจุกสุขที่แท้จริงที่เที่ยงแท้ถาวรน่ะเขาก็เลยเอาจริงเอาจัง แม้แต่การประพฤติวัดออกบวชเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านก็นยังตรัสว่าความสำคัญมรนหมายความรู้สึกว่าต้องการออกบวชเพื่อให้มีลาภให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีหรือบางทีก็ไม่ได้คิดแบบนั้นแต่พอบวชมาแล้วมันเริ่มมีลาภสักระก็เลยติดอยู่ในลาภสักระอันนี้คำสารเสรญนยนยอ ก็คิดว่าอันนี้คือความสุขว่าจมอยู่กับอันนี้วันมาหนึ่งวิถีชีวิตที่จะพัฒนาไปข้างหน้าก็ไม่มีไม่มีภูมธรรมที่จะเกิดขึ้นหรือจเจริญขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ผ่านไปเป็นวันเดือนเดือนเอนป็นปีอันนี้ก็คือความหลงหลงเหมือนกับคนทั้งหลายที่หลงอยู่ในอำนาจยึดถามนาซัว่าเป็นของเที่ยงคือ โดยภาพรวม อ, อาจจะไม่เห็นเป็นของเที่ยงแต่พฤติกรรมชีวิตเราเนี่ยเราติดอยู่กับเรื่องพวกนี้ติดอยู่กับความสุขไปวันวันสนุกสนานเพลิดเพลินไปวันวันเนี่ยอันนี้คือเราหลงเราหลงนี่แหละคือการรู้สึกว่ามันเที่ยงคือเราติดสุขก็หลง ส, สุขว่าเที่ยงติดอยู่ในความทุกข์ก็หลงอยู่ในความทุกข์ว่ามันเที่ยงแต่ที่ยิงความสุขกับความทุกข์ก็คือภาวะอันเดียวกันอะไรก็ตามที่มันไม่เที่ยงทุกทั้งนั้น สุขก็ไม่เที่ยงแสดงว่ามันเป็นทุกข์ทุกเนี่ยมันก็ทุกอยู่แล้วล่ะแต่คนทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้มองว่าความทุกข์มันเป็นความทุกข์เดี๋ยวนี้เขามองว่าเป็นความสนุกสนุกที่ต้องได้แก้ไขกลับไปกลับมาชีวิตเกิดมาชาติหนึ่งคนหนึ่งอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับชีวิตวิถีชีวิตที่ว่ามันเที่ยงนะเนี่ย กับคนหนึ่งเกิดมาชาติหนึ่งอยู่กับสัจธรรมไปเรื่อย ๆ, ๆลองดูดิชีวิตใครจะมีคุณค่ามากกว่ากันชีวิตใครจะถือว่าประสบผลสาเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์พอมนุษย์ทุกคนนี่ไม่ว่าจะร่ำรวยสวยงามอะไรก็ตามอยากดีมีจนสัจธรรมก็คือมนุษย์ที่มีความโลภโกรธหลงเหมือนกันนะเราต้องมาแก้ไขปัญหาความโลภโกรธหลงที่มีอยู่ในใจนี้ให้ออกไปเหมือนกันหมดเลย มันไม่เลือกสมมติว่าคุณจะเป็นอะไรแต่คุณก็มีอารมณ์ันนี้เหมือนกันเนี่ยโดยสัจจะสภาวะมันเหมือนกันทีนี้ถ้าจะแก้ทุกข์ก็แก้ทุกข์ได้เหมือนกันทุกคนนะแต่ใครจะทำตอนนั้นเองบางคนทำแต่ว่าไม่มีความเชื่อมั่นนะทำหล่อๆเลยแห ล, ล, ล ะ, ละไม่จริงจังในเสียเวลานะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเหมือน เอามือไปจับญ้าคาแล้วดึงมันจะบาดมือการทําอะไรที่ไม่จริงจังจริงใจเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นแหละเราเสียเวลามาปฏิบัติทําในเสียเวลาทั้งหกเจวันนะไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราไม่จริงจังคือจับญ้าคาดึงเนี่ยต้องจับมันมั่นจับแล้วดึงเนี่ยถ้าคุณจับเล่ น, ลนๆหัวหัว น, นี่รู ป, รปๆคำๆคุณดึงนี่มันบาดมือพุทธพจน์ท่านจะสอนว่าเหมือนกันนะการประพฤติพรหมจรรย์ถ้าทําไม่จริงเนี่ย เสียเวลาเสียการเสียงา น, เ ส, น เ, เสียนิริตเสียนะิสัยและที่สําคัญก็คือบางทีวิปรวปริิลาสมีทิฏฐิมานะสําคัญว่าสิ่งที่ไม่สุขว่าเป็นสุขสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขอย่างเนี้ยเป็นสัญญาวิปลาสเป็นทิฏฐิวิปลาสคําว่าวิปลาสคือมันคลาดเคลื่อนจากสัจธรรมสัจธรรมมองทุกข์ว่าเป็นทุกข์ คนหลายก็มองทุกว่าเป็นความสุขเนี่ยบางทีมาเห็นสมาธิเลยเห็นปรากฏการณ์ทางนิมิตทางในปรากฏเกิดขึ้นแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบางทีไปยึดเอาถือว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีเจอความสุขเจอปีติเจอสมาธิเป็นวิปัสสนุปกิตขึ้นมาบางทีก็ยึดถือว่ามันเป็นของเที่ยงแสวงหาอีกก็ไปทุกข์เพิ่มอะไรก็ตามที่เห็นผิดจากสัจธรรมเนี่ย มันให้ผลเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะมันให้ผลเป็นทุกข์ทั้งนั้นเวลาอยู่ในฐานะนไหนก็ตามนะแม้แต่พระสงฆ์ข้าเจ้าก็ตามมันไม่เลือกทุกข์เนี่ยการสแสวงหาความจริงของชีวิตเนี่ยมีมานานตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละตั้งแต่เกิดมีมนุษย์ในโลกเนี่ยลหลายล้านปี แต่วิวัฒนาการของการมองเข้ามาข้างในเนี่ยมันไม่ค่อยมีส่วนมากมันจะกลัวปรากฏการณ์จากข้างนอกมากกว่าแล้เมื่อฝูกฝนมาเข้าพัฒนามาเรื่อยมาเรื่อยมาเราเห็นภาพพจน์อันนี้ชัดเจนมากทางยุโรปทางตะวันตกเนี่ยไม่มีการพัฒนาความรู้สึกว่าต้องเอาชนะจิตใจตัวเอง แต่เขายังเพลินอยู่กับการเอาชนะภัยธรรมชาตินั้นจึงสร้างเทคโนโลยีอะไรขึ้นมามากมายทางเอเชียเราก็คือประเทศที่ได้รับปัญหานี่มากๆก็คืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเกาะเยอะแยะมีทั้งหนาวทั้งร้อนฟิลิปปินส์ก็เยอะนะทั้งเจ็ดพันหนึ่งร้อยเกาะแต่ว่าปรากฏการปัญหาเขาไม่ค่อยมีมีแต่แผ่นดินไหวมีแต่อะไรแต่ญี่ปุ่นทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งนนทันี้ นั้นเครื่องใช้ไม้สอยเขาเกิดขึ้นมากเห็นไหมเครื่องมือเทคโนโลยีที่เอาชนะธรรมชาติแต่ของญี่ปุ่นเขาจะมีเยอะมาก <c oughs> เครื่องมือการก่อสร้างเครื่องอานวยความสะดวกเขาเยอะทั้งตําันตกเขาก็เยอะแบบนั้นโ <c oughs> ดยเฉพาะประเทศหลายๆประเทศที่มีภัยสงครามเนี่ยการรบกวนจากชนชั้นชนชาตินเนียมันจะไม่ค่อยได้สงบเท่าไหร่แต่ถ้ามองไปประเทศ สองประเทศที่มันอยู่นิ่งๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนี่ยปรากฏว่ามีวัฒนาการทาวัฒนธรรมทางด้านจิตใจเนี่ยกับเจริญเติบโตสูงมากคือจีนกับอินเดียเขาไม่ค่อยมีปัญหาประเทศนั้นลุกลานประเทศนี้เป็นอย่างว่านี้ไม่เขาเจริญเติบโตขึ้นมาในกลุ่มชนเขาอาจจะเป็นเพราะภูมิภาค ภูมิประเทศสถานที่อะไรกันต่างอาจจะส่งผลห้หยเกิดสัตบุรุษขึ้นมาเราสังเกต ด, ดูดิศาสนาเกือบทั้งโลกเนี่ยเกิดในอินเดียกับจีนเท่านั่นเองเพราะมันสงบที่ไหนมันสงบมันจะมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาคือเขาจะมีเวลาในการคิดถึงเรื่องจิตใจไม่ได้คิดถึงเรื่องข้างนอกไม่ได้แก้ไขเรื่องภัยข้างนอกไม่ได้แก้ไัยจากเผ่านั้นเผ่านี้มาวุ่นวายแต่ เมื่อเริ่มมีเวลามาวิจัยตัวเองมองดอูทำไมเป็นทุกข์เนอะมันสุขมันสบายแล้วมันก็คิดถึงการตายแล้วจะไปไหนเนี่ยบางคนว่าตายแล้วเกิดนะตายแล้วสูนยนะแต่เริ่มีภาพแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็มันมีเวลาในการศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ย น, า, นา่นเขานั่นเขา น, านขาะครับเจริญเติบโตจนมาถึง 2,500 กว่าปีที่แล้ว ก็มีเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยที่ออกบวชแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก่อนนั้นนั้นกระแสเรื่องการค้นหาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องการพ้นทุกข์ไม่ใช่พ้นทุกข์จากทางโลกธรรมดาพ้นทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายด้วยพ้นทุกข์จากกาความคิดความปรุงแต่งอะไรมากมายหลากหลายด้วยเขาก็แสวงหามา ก, ก่อนแล้วท่านก็อยู่ในกระแสนั้นถ้าเขาออกฝึกแบบเขา แล้วท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากเรียนจบไม่รู้กี่ศาสตร์กี่อะไรแล้วคนเรียนรู้ดีหัวดีด้วยสังเกตในประวัติว่าจบมาตั้งสิบแปดศาสตร์เป็นคนเก่งงนั้นความคิดความจำความอ่านความเข้าใจการจำแนกแจกแจงการบัญญัติการตั้งข้อ พอพึ่งปฏิบัติอะไรนี่านจึงเป็นรู้สึกว่าเป็นระบบระเบียบเป็นอะไรดีมากนะเราไปศึกอสารดูในธรรมมณยามที่พระพุทธเจ้าท่านบรญยัติไว้หลังจากที่ตัดสู้แล้วนะในส่วนหนึ่งที่เป็นธรรมะที่มีอยู่พระสูตรเนี่ยมีทั้งมหายานมีทั้งหินญาณคือเรื่องของธรรมจักรวัฒนสูตรหรือมหา n i ร a w a n สูตร ปรินิพานสูตรนะก็มีในธรรมจากวัตนสูตรเนี่ยหมายถึงธรรมเทศนาครั้งแรกทางแสดงธรรมเรื่องการการหมุนกงจักรหมุนล้อของธรรมให้เกิดขึ้นตั้งแต่การเกิดมาเป็นมนุษย์มาเนี่ยเพิ่งค้นพบเนี่ย ท่านเปนค้นพบหลักสัจธรรมเนี้ยก่อนหน้านั้นเมื่อวันวิสาขะวิสาขะบูชาท่านได้ประสูดเนี่ยประสูตรวันวิสาขะแค่เรื่องพวกนี้เราก็ต้องกลับมาคิดแล้วนะพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูรแต่สรุปรินิี้พานวันเดียวกันอย่างเงี้ย แต่คนทั้งหลายทั้งพวงก็คิดว่าสัพท์ที่พระพยายาุทธเจ้าท่านพูดขึ้นมาหมายถึงร่างกายสังขารนะฮะตัวตนขอ ง, งท่านในเกิดวันวิสาขะจริงเนี่ยอันนั้นจะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้นะแต่แต่ความเป็นพุท ธ, ธะเนี่ยเกิดวันวิสาขะแน่ๆตัดสล้วันวิสาขะปรินิพานวันวิสาขะแน่ๆคือเกิดเป็นพุท ธ, ธะเนี่ย เทเขาเรียกว่าประสูตรนะประสูตรคือการรู้แจ้งคือการเกิดขึ้นของปัญญาเกิดขึ้นของจิตที่เกิดดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่เกิดทางด้านแข้งขานะศับปะเนี่ยไม่ได้หมายว่าการเกิดทางด้านร่างกายประสูติการในเรื่องของจิตนั้นเจ้าชายศทธธีธะก็ประสูตรก็เดินได้เจ็ดก้าวเนีย่ยเห็นไหม เกิดออกมาแล้วเดินได้เจ็ดเก้าแล้วกล่าวคําอภิสวาจาคือบาวาจาของมหาบุรุษวาจาอันยิ่งใหญ่เราจะเป็นผู้เลิศในโลกเราจะเป็นผู้นําโลกเราจะพาโล ก, น, ลกนี้พ้นทุกเนี่ยคือใครก็ตามที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกโอ้ยเราได้เกิดใหม่แล้วเราพ้นทุกแล้วทีนี้เขาทําเป็นรูปตัว น, น้อยจิตตะก็คือเวลามันเกิดใหม่ี่ได้ดวงตาเห็นธรรมใหม่เนี่ยมันยังไม่โต ันน้อยเดินได้เจ็ดเก้าคือจิตนี้ก็สามารถเดินอยู่ในในคุณธรรมโพชงเจ็คือองค์ทมเป็นเครื่องตัดสรุ้เจ็ดอย่างนะคือสติธรรมวิจัยวิริยะปีติปสัสสติสมาธิอุเบขาเนี่ยเจ็ดเก้าคือเก้าทางจิตไม่ใช่เก้าขานะดังนั้นพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเข้าใจ อย่างในน้อยนี่คือสร้างสัมมาทิฏฐิความเข้าใจเรื่องพุทธวัติเนยให้มันถูกต้องจริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าก็คนธรรมดานี่เองที่ปฏิบัติทําแล้วท่านรู้ธรรมแต่เราเข้าใจว่าท่านเหมือนเทพเหมือนคนมีบุญบรารมีอะไรสักอย่างมากๆนจนกระทั่งวันเราเนี่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ทั้งที่ท่านบอกว่าธรรมะนี่เป็นเอหิปัสสิโก ทุกคนควรมาปฏิบัติคุณคต้องมารู้มาเห็นอะเ น, นี้ได้จ า, าก้นทุกข์แต่ว่าธรรมะนี่คือมนุษย์ทุกคนควรรู้ควรเห็นควรต้องมารู้มาเห็นเอหิปัสสิโกแต่เรากลัวว่าเอยเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญบารมีเราคิดอย่างนั้นน่ะมันก็เลยจบสภาพเราเลยเราคงไม่มีบารมีเนี่ยแต่ความปจริงท่านพูดง่ายง่ายแต่เราไม่เข้าใจ เราไปแปลความหมายมันกว้างลึกเกินจนไกลเกินเอื้อมนะแท้ที่จริงเออท่านเกิดสติเกิดปัญญายานเกิดวิปัสนาญาณขึ้นมาทีแรกเขาเรียกว่าดรุณวิปัสนาวิปัสนาอวนออนมันเกิดรู้ขึ้นมาเนี่ย แต่ท่านก็เดินได้จิตเข้าขึ้นและลึกรู้อย่างนี้จิตเนี่ยมันอยู่ในนี้มีสติมีความรู้จะมาสังเกตกลับไปกลับมาอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าจิตมันสามารถเดินอยู่ในมากแต่เมันก็เกิดผลเนี่ยก็เกิดการรู้แจ้งเข้าใจาอุปเสนญาณก็เกิดขึ้นอีกเนี่ยเกิดจตุปาตญาณและเกิดอาสวัคยญาณสามญาณเนี่ยประสูตรตัดสลุกแล้วก็ปรินิพานปรินิพานปรินิแปลว่ารอบนิพานว่าดับดับสนิท กิเลสมันดับสนิทมันดับมันหายนิพพานมี2แบบนิพพานแบบรู้แจ้งก่อนรู้แจ้งก่อนและสามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติคือถึงที่สุดทุกแล้วนะทุกมันไม่มีแล้วนล่งดำเนินชีวิตไปแบบสบายหลังจากนั้นก็ถึงเวลาตายคือตายกับนิพพานีแบบหนึ่งคือ มันไปรู้แจ้งตอนใกล้ๆ้ตายพร้อมกับการตายเนี่ยทีแรกก็รู้แจ้งแล้ละมาเรื่อยเแต่มันไม่ถึงที่สุดทุกขแต่การถึงที่สุดทุกเนี่ยมันปรากฏเกิดขึ้นพร้อมพร้กับการที่จะละสังขารตายเนี่ยนะมันดับทุกขในตรงนั้นมันมันปลินิพานในตรงนั้นเขานึเรียกว่าอุปาทิเสสนิพานกับอนุปาทิเสสนิพานได้แต่ตําราเขาไปแปลว่า ดับกิเลสแต่เหลือเบนจขันธ์คือเหลือร่างกายอันนี้ไว้อันหนึง่งดับกิเลสพร้อมกับไม่มีร่างกายจริงๆหมายว่าดับกิเลสได้ก่อนกับอันหนึ่งก็คือดับกิเลสพร้อมกับการตายอคือดับได้ก่อนคือมันจะตายนะ่ะตอนนั้นมันปล่อยวางได้ตอนนั้นแล้วก็ตายตอนนั้นจริงๆอันนั้นก็ไม่ควรมีผลเท่ากับอันนี้เราจึงปฏิบัติทำเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดนิพพานเพราวะว่าอันนี้ แต่ว่านิพพานในความหมายที่ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาอีกก็คือการนิพพานของพระอริยบุคคลแต่ในร ะ, ระดับระดับระดับเวลามันเกิดการรู้แจ้งแล้วเราก็สามารถนิพพานได้แต่ว่ายังมีอุปาทิถ้าเปรียบเทียบกับสติปัฏฐานสูตรนั่นอุปาทิเสสนิพพานท่านคืออุปาทิคือเหลืออุปท า, า, าน อุปทานในเบนจะขันในยังเหลืออยู่เรายังมีอุปทานในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารเราเนี่มันยังเหลืออยู่มันยังเหลืออยู่ตัวใดตัวนึ้งคือมันยังไม่หมดนะ่ะคือล้างออกแล้วแต่ก็ยังเหลืออยู่บ้างคือรู้แจ้งแล้วแต่มันไม่หมดก็ต้องทำรู้แจ้งอีกทำให้เกิดการรู้แจ้งเกิดญาทณทัศน์นี่บ่อยๆเรื่อยๆบางคนอาจจะทำครั้งเดียวแล้วรู้แจ้งไปเลย แต่บางคนอาจจะทำสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแล้วแต่มันจะขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปนะคือเราเผาครั้งแรกมันไหมไม่หมดอาจจะเชื้อฟืนมันน้อยหลายคนว่าเจริญสติตั้งใจสติมันไม่มากเท่าไหร่ก็มันแจ้งมันสว่างมันมาหน่อยมันก็ออกไปได้น้อยนั้นคุณต้องเติมเชื้อไฟใส่ใหม่อีกแ ล, ล้วเผารอบสองเผารอบสามเผารอบสี่ การเผาแล้วเกิดไฟเปลวสว่างแจ้งออกมาแต่ละครั้งก็เรียกว่าเกิดยาณทัศนะไอสิ่งนี้เราทำเนี่ยคือเป้าหมายคือสู่จุดนั้นนะอันเนี้ยคือเรามองว่าสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ชีวิตหนึ่งหนึ่งของมนุษย์นี่มันควรจะได้รับมันไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าคนเดียวแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้นําที่ไปค้นพบเรื่องนี้แล้วท่านมาเล่าให้ฟัง เนี่ยทางพ้นทุกท่านบอกเลยเราก็เลยมาปฏิบัติตามพระองค์ท่านนั้นการประสูตรการตัดสู้และการปรินิพานปรินิพานแบบชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวเป็นเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตหรือตัดทังควิมุตตสมุตเฉวิมุตต์แล้วแต่ภาวะหรือดับทุกได้ เ, เป็นพระโสดาบันนิพานได้นน้อย ในตำราท่านจะพูดไปนั้นภาษากีทาคามีก็นิพพานขึมาอีกระดับหนึ่งคือยังมีอุปทานในเบญจขันธ์นี้เหลืออยู่พระอนาคามีก็นิพพานได้ระดับนึงที่พะาาระอรหันต์เนี่ยคือดับหมดเขาเรียกวป่ปริปริเปรัวรอบดับหมดเลยพะลาาระอรหันต์เนี่ยนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็าสามารถเข้าถึงได้เพราะมีตัวอย่างของบรรพบุรุษพุทธสาวกสาวิกา ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคารวะปฏิบัติมานานแล้วคนนั้นก็เข้าถึงทำเข้าถึงทำคือเข้าถึงความจริงของชีวิตตัวเองนั่นแหละที่เราปฏิบัติทำเนี่ยเราไม่ได้รู้นอกฟ้านอกแนวอะไรแต่รู้จักตัวเองรู้จักด้วยสติสัมปชัญญะรู้จักด้วยจิตแบบจำแจ้งที่มันไม่ได้ยึดติดในความเป็นตัวตวนความมีความได้อะไรมันเกิดการปล่อยวางภาวะอนั้นมันเป็นอิสระแล้ว ฝรั่งก็จึงนิพพานแปลว่าฟรีดอมอิสระภาพของใจบางคนเอ็ไนไะรรู้แบบจมแจ้งนบรรลุธรรมแต่บางคนเขาก็แปลว่าอินไซต์แจ้งตรงที่สุดนะแต่ไม่ได้หมายว่าเข้าใจธรรมดานะการรู้แจ้งเนะี่ยแต่เราจึงเอาเฝ้าออดูวย เฝ้าดูตามแนวของพระเจ้ามีหลักฐานที่ท่านแสดงไว้ในธรรมะจกักรวรรนัฒนสูตรว่าอันสิ่งนี้ยังไม่ได้เคยปรากฏกับใครๆมาเลยจนกระทั่งว่าแม้ท่านเองออกแสวงหาธรรมะช่วงก่อนที่จะบรรลุธรรมก็ไม่เคยได้ยินจากศาสดาไหนไปปฏิบัติมาทดลองมาโม่แต่ไม่ได้ยินได้ฟังท่านมาปฏิบัติท่านเลิกจากนั้นแล้วท่านมาฝึกเอาเอง แล้วท่านเกิดการรู้แจ้งบรรลุธรรมถึงที่สุดทุกท่านจึงบอกว่าท่านไม่มีครูอาจารย์ไม่มีครูนะไม่มีครูอาจารย์สิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยสิ่งที่ท่านได้ยินท่านปฏิบัติท่านเกิดปัญญาเนี่ยไม่เคยได้ยินจากใครๆเลยเหมือนที่เราสวดแหละ ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากใครๆมาในปางก่อนเลยว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นแบบนี้วิธีดับทุกเป็นนี้การถึงที่สุดของทุกขการดับทุกไม่เหลือเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่เกิดจากการฝึกฝนของท่านเองนั้นสิ่งที่ท่านเป็นเนี่ยท่านประโสนิเกิดปัญญาแล้วก็เกิดการตัดรู้รู้ถึงที่สุดทุกข์แล้วก็ทําให้สิ้นทึงอาสวะดับหมดหายสงสัย ในการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสิน้นภบสิ้นชาติถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วปรากฏว่าเกิดยานอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วมันเกิดปัญญาอย่างรู้ของมันเองนะว่าจิตนี้มันหลุดพ้นแล้วกิ จ, จกรรมหรือวิธีการที่ต้องทำเพื่อให้ดับทุกข์อย่างเราในปฏิบัติธรรมอย่างนี้ปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้ว่ามันยังฟุ้งซ่านอยู่เราก็รู้ฟุ้งซ่านแต่มันไม่เกิดปัญญารู้ว่า เราดับทุกได้คือมันต้องเกิดวิปัสนาญาณออกมาวะ่าตอนนี้เราทําได้ขนาดนี้ทําได้ขนาดนี้ถ้ายังยกมือสร้างจังหวะทำไปเรื่อยๆยังไม่เกิดอะไรขึ้นมาก็คือมันยังไม่เกิดอะไรนะแต่นี่มันจะเกิดญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วตอนนี้มาถึงขั้นนี้แล้วขั้นนี้แล้วเนี่ยมันจะบอกได้ตัวเองไม่ได้บอกครูบาอาจารย์มาบอกมาสอนว่าถึงขั้นนี้แล้วน่าถึงขั้นนี้แล้วไหมเรารู้ว่าทุกบรรดับไปเท่าไหร่ยังเหลือเท่าไหร่แล้วทำอีกเท่าไหร่เนี่ย ท่านขึ้นสู่ในกระบวนการของมรรคผลเนี่ยมันจะเป็นภาวะแบบนั้นเรารู้ทันทีเนี่ยเราจะปฏิบัติอีกเท่าไหร่เนี่ยเราดูตัวเองออกภาวะอันเนี้ยท่านทำประสูติตรัสรุปธิธานนั้นได้ภายในวันเดียวพอรู้แจ้งแล้วก็ดับทุกข์แล้วก็ถึงที่สุดทุกข์หลังจากนั้นท่านก็สอนธรรมะออกไปนั้นการประสูติการตรัสรู้ และการปรินิพพานคือปรินิพพานคือการตายของกิเลสนะไม่ใช่ตายของร่างกายกิเลสมันดับสนิทเลยเนี่ยเนี่ยนั้นมันเกิดขึ้นภาวะสามมันเกิดในวันเดียวในความหมายในแง่ของสัจธรรมนะเนี่ยพระพุทธเจ้าอาจจะเกิดวันจันทร์ก็ได้ตายวันอังคารวันปรินิพพานวันพุธก็ได้แล้วแต่แต่ว่าเรื่องของจิตเนี่ยมันไม่เหมือนร่างกายมันเป็นขณะเดียว ของท่า น, นาวันเดียวคือวันวิสาขะที่เราทราบกันนั่นแหละหลังจากนั้นท่านก็เดินไปหาปัญจวคีแต่ก่อนไปหาปัญจวคีท่านก็ไปหาคิดถึงนะ่ะคิดถึงอาจารย์เขาเรียกว่าอาจารย์ที่เคยสอนท่านทำสมาธิทำฌานในตำราท่านบอก อ, อาจารย์ คงสอนไม่ได้ตายไปแล้วลคำว่าอาจารย์ตายเนี่ยหมายว่าไม่ได้หมายว่าเขาตายทางด้านร่างกายนะแต่คนที่ฝึกสมาธิมากๆปฏิบัติธรรมเยอะๆแบบนั้นเนะี่ยแล้วมันยึดติดในสมาธิแล้วติดชื่อเสียงคนนั้นก็นับถือคนนี้ก็นับถืออยู่ๆก็จะมาประกาศตัวเองว่าตัวเองเป็นคนไม่รู้ที่ผ่านมานะ่มันไม่รู้จะเข้าใจผิด สิ่งที่ถูกนี่คือลูกศิษย์ฉันเนี่ยศีตาตะี่แต่สรู้ฉันจะเรียนกับคนนี้มันเป็นไปได้ไหมฉันเป็นไปไม่ได้นั่นก็ถือว่าตายไปจากธรรมะวินยัยสอนไม่ได้หรอกทิฏฐิมานะมันเยอะแล้วอย่างหนึ่งคนที่ติดในสมาธิมันจะติดนิ่งหลายหลายคนนะเราไปชวนเข้ามาไปปฏิบัติธรรมไหมทําอะไรยกมือไสยอย้จมโอ้มันผิดฮะมันไม่ถูกหรอกไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าจะอ้างว่าของพระพุทธเจ้าโดยซ้ําไป หรือเวลาเราชวนมาปฏิบัติธรรมเขาว่าโอ้ไม่ได้หรอกของฌานดีแล้วที่สงบนิ่งนี่ท่านพวกฌานสมาบัติก็เป็นพรหมนะเขาบอกว่าปฏิบัติอย่างมากก็ได้เป็นพรหมคือมันสงบมันนิ่งแต่มันไม่ใช่การรู้แจ้งแต่ว่าพวกนี้ถ้าทํามากๆแล้วมันจะติดพอมันติดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าเนี่ยความสงบเป็นอาตมันเป็นประละตมันเป็นโปเนี่ยเป็นคือนิพพานของเขา ในหลายคนนะพ่อสงบมางๆากลายเป็นคนท่งเจ้าเข้าผีไปเลยก็มีให้ไปชวนมันมาทำสมาธิสร้างจังหวะมันจมามไมมันไม่มาอาจารย์อาราละดบทฌานสมาบัติเจ็ดอุทธกาดาบทฌานสมาบัติแปดนะฮทำจิตว่างจนไม่มีอะไรป่านั้นนะเขาเรียกว่าเข้าถึงดำแล้วนั้นท่านบอกว่าถ้าไปชวนพวกนี้มาเขาคงไม่มา พวกนี้เปรียบเหมือนได้ตายจากความเป็นอริยะบุคคลไปแล้วมาปฏิบัติทำไม่ได้เพราะเขาติดทิฏฐิมานะไม่มีโอกาสที่จะรู้ทำเห็นทำท่านก็เลยละใช่จากพวกนั้นไปอ่ะนเราทั้งหลายเวลาไปชวนคนคนนี้มาปฏิบัติอยาจะคิดว่าเขาจะอยากปฏิบัติทำโอ้คนนั้นปฏิบัติสมาธิเก่งได้จะไปชวนคนมาอยาคิดว่าเขาจะมาเนะี่ยเขาได้ตายจากมรรคผลไปนะพวกแบบเนี้ย คือมันมีมิจฉาทิฏฐิแบบอย่างแรงกล้าเลยคิดว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันดีแล้วคือไม่ยอมรับฟังคนอื่นมันติดนะมันติดเนี่ออกยากเขาเรียกว่าพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอาภัพพระบุคคลประเภทหนึ่งอาภัพพบุคคลนี่หมายก็ว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วฝึกสมาธิจนนิ่งดิ่งเนี่ยเนี่ยจะมีจิตที่อาภัพไม่สามารถที่จะเข้าทะลุสู่มรรคผลนิพพานได้ ได้หลายคนบอกว่าอย่าฝึกสมถายมันแก่กล้าแล้วค่อยจะมาทำวิปัสนาหลวงพ่อเทียนท่านจะพูดเสมอหมคนละทางกันเด้อมันคนละอันกันวิปัสนาเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่วิปัสนาตั้งแต่แรกคือรู้กายเวทนาจิตธรรมตั้งแต่ที่แรกไม่ใช่ไปฝึกสมาธินิ่งย่กับอะไรสักอย่างแล้วค่อยมายกจิตสู่วิปัสนาถ้าคิดว่าอย่างนั้นก็คือมันจะหลงทางเข้าไปในธรรมะของพราม์ธรรมะของพรม เข้าไปในศาสนาของฤือีดาบทที่พระพุทธเจ้าเคยไปฝึกต่อสมัยโน้นนะ่ะดีท่านไหวตัวท่านทานเอามองสึกวิปัสสนาฝึกสติและรเลึกรู้เอ๊มันทุกข์ที่ความคิดเนี่ยมาดูที่ความคิดที่เอ๊ะแต่ก่อนนึกว่าไม่กินข้าวแล้วมันจะดีไอ้ลองกินดูดินางสุจดามาถวายอืนางสุจดานี้ได้บุญมากนะถวายอาหารก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรูู้เนี่ยเพราะอะไร พระพุทธเจ้าท่านก็พูดอยู่แล้วโอ้ก่อนที่ตัดสลุล ก, ก็ได้ทานข้าวของนางสุชาดาและเคยได้มีกําลังบังชาอาหารเมื่อสุดท้ายตัวนั้นน่ะแล้วก็ได้บรรลุกรรู้แจ้งเนี่ยคนมันก็ต้องดีใจแหละเนาะไม่ได้ถวายใครก็ดีใจเออบอีมใจคนนั้นก็ยกย่องคนนี้ก็ยกย่องคนนั้นก็สรรเสริญชื่อเสียง ข, ขจรกระจายกิติสตูอภูตุตัวนั้นพื้นฐานจิตดีเวลาฟังธรรมก็สว่างง่าย แจ้งไว้แต่ตรงกันข้ามนะในันนะคือคนที่เกาะหางมาพระพุทธเจ้าพาพระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ยคนนี้กับไม่มีสำนึกในธรรมแต่มีความรู้สึกว่าไปไหนก็คุยกูนี่แหละเป็นคนพาพระพุทธเจ้าออกบวชถ้าไม่มีกูนี่ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเด้ คุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยจนกระทั่งพระพุทธเจ้าตายก่อนพระพุทธเจ้าตายเขาก็มาบวชบวชเขาก็ไม่ยอมปฏิบัติธรรมไปแล้วเขาไปสอนเอา้ารู้ไหมฉันเป็นใครท่านเพิ่งบวชเนี่ยฉันเป็นคนพาพระพุทธเจ้าอาจารย์เธอห น, น้าออกบวชเนี่ยเธอจะมาสอนฉันยังไงนั้นพระพุทธเจ้าก่อนตายท่านเรียกพระมาประชุมกันทศฐาคตรอยากสั่งเรื่องหนึ่งเอาไว้คือ หลังจากตถาคตรปรินิพานแล้วเนี่ยสีนที่ตถาคตบัญญัติไว้สีขาบทเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะถอนก็ได้นะเพราะต่อไปศาสนานี่มันจะกว้างไกลนะมันจะไปอยู่หลายที่อันสีขาบทเนี่ยมันอาจจะจําเป็นบางทีมันก็อาจจะขัดข้องเล็กๆในน้อยออย่างเราถือผ้าไตาจีวอนอยู่ในประเทศเวียไตยจีวอนแต่ไปอยู่ในประเทศจีนเนี่ยไม่ได้แล้วมันหนาว มันต้องมีหมวกเข้ามาหมวกอยู่ในใจจีวรไหนเขาไม่มีนะมีกางเกงด้วยดิกางเกงมีรองเทา้านะหุ้มส้นแต่สมัยก่อนก็ไม่หุ้มส้นอันก็จะพัฒนาไปตามเรื่องศีรษะบทเลยๆน้อยเ น, น, นี่ยในขณะเดียกันก็บอกว่าหลังจากต ต, ตาคตปรินิพานแล้วพระสง์ทั้งหลายให้ลงพรมมาทันกับนายชนะเนี่ยพระชนะที่บวชมาเนี่ย ห้ามพระสงค์ทั้งหลายพูดคุยกับคนคนนี้จนกว่าเธอจะสํานึกตัวเองถ้าเธอจะมีความรู้สึกมีทิฏฐิมาหน้ว่าเธออยากบวชเธอออกบวชเธอคิดว่าพระพุทธเจ้าออกบวชเพราะเธอนั่นแหละเป็นคนพาออบวชถ้าไม่มีเธอไม่มีคนได้บรรลุไม่มีาศาสนาพุทธเกิดขึ้นรอกฉันรู้เรื่องพระพุทธเจา้าฉันอยู่กับท่านมาทั้งนานเป็นมหาเล็กด้วยเธอจะมาสอนฉันื่อยถ้ามีความรู้สึกแบบนี้เขาจะลงทัน ต้องทันนะห้ามพูดไม่พูดไม่คุยไม่สอนคนที่อวดดือ้อถือดีที่ติมาหน้าเนี่ยเขาไม่สอนมันเก่งอยู่แล้วเขาแค่มันเก่งไปนะเขาไม่สอนไม่บอกไม่แนะนำพระสอนเรื่องธรรมวินัยไม่ได้คิดว่าจะแก้ไขเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรให้ คือปล่อยมันตายกับทิฏฐิมานะของมันไปนะพอชีวิตเขาก็ไม่ได้ไปทุกข์กับเขานะ้วนั้นมันไมด้มีความรู้สึกว่าเออมาทีมันก็ว่านะ อ, อคนนั้นแกอารมณ์ไม่เป็นคนนี้ที่จริงเขาไม่อยากแก้เขาปล่อยให้มันตายนะปล่อยให้มันงงโง่ไปงั้นแหละเหมือนนายชนะนี่แหละแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าครูบาอาจารย์จะมีทิฏฐิมานะนะ นั่นคือการฝึกสิทธิ์แบบถึงเขาฝึกคือให้พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยทิ้งหลวงตาฉะนะนี่เลยพระพุทธเจ้าตอนนั้นอายุ80ดสิบแล้วตายไอ้ชนะนี่ก็เกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้านะแต่เขาก็ไม่สนปล่อยมันมีความคิดแบบน้นจนกระทั่งว่ามัานสำนึกได้ปรากฏว่าท่านสํานึกได้ไหมตายฟรีตายเลยนะพระสงฆ์เขาก็ไม่คุยด้วยนะเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องโน้เรื่องใหม่ เขาไม่สอนไม่บอกไม่กล่าวพระพุทธิยาว่าคือสุดท้ายคือพุทธิยาวว่าฆ่าเลยคำว่าฆ่าในศาสนาพนุทธคือไม่ยอมบอกกล่าวชี้เนะี่มรรคผลนิพพานเลยเขาไม่บอกเขาไม่แก้อารมณ์ไม่ได้สนใจนะพระพุทธิยานี้คือการฆ่าในธรรมวินัยนี้คือมีคนไปถามพระพุทธิยาวในหัดถ่ายจาย์ หัตถาหรือหัตถีก็คืออาจารย์ผู้ฝึกช้างหรืออาจารย์นายอัศดรไดผู้ฝึก ม, า ม, าม้าไปถามพระพุทธเจ้าไปถามเขาก่อนเอา้าทำอะไรเนี่ยโอ้ยฝึกมา้าอาฝึกยังไงอะ่ะก็อันดับแรกก็ต้องเลือกม้าดีๆมาก่อนอาอยุพอฝึกแล้วเอามาฝึกฝึกกี่วันโอ้ยบางครั้งก็หลายวัน ต้องตีไหมยอ้ยบางตัวก็ต้องตีนะบางตัวก็ต้องตีฝึกหลายวันด้วยต้องตีด้วยต้องเลือกมาด้วยต้องโผกต้องหัดต้องขับต้องเขี่ยวบางทีก็ได้รับบาดเจ็บมากก็ได้รับบาดเจ็บบางทีคนฝึกก็มีอันตรายโอ้ป่านนั้นเขาก็เลยทาเอาแล้วท่านเป็นสมณะในพุทธศาสนาเนี่ย ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเนี่ยแล้วท่านฝึกลูกน้องท่านยังไงเขาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังถามอีกว่าเอาแล้วสมมติว่าม้าบางตัวเนะ่ะมันฝึกไม่ได้ในมีไหมเขาว่ามีมันฝึกไม่ได้ก็มีแล้วทํำยังไงค่ากินแล้วค่ากินเอาเนื้อมานเลยค่าทิ้งเล้ เขาก็ถามพระเจ้าพระุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอันดับแรกก็เลือกพันธุ์ดีๆอย่างเรามาปฏิบัติตามเลยเลือกพันธุ์ดีๆเลือกตัวมันดีๆที่มาตัวไหนตัวที่มันดีๆเนี่ยไม่ใช่หน้าตาดีลูกห่านดีนะจะหมายถึงว่าตัวที่มันดีคือหนึ่งมีศรัทธามีศรัทธาไมตที่มาเนี่ยมีวิริยะไหมมันขยันไหมมีสติไหมมีสมาธิไหมมีปัญญาไหมคำว่ามีปัญญานี่คือฟังรู้เรื่องไมตที่พูดเนี่ย หรือยิ่งฟังก็ยิ่งมีทิฏฐิมานะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมานี่คืองบบรมงโง้นะคือฟังไม่เข้าใจเนะี่ยมันไม่มีอะไรรู้สึกว่ามันโดนใจเลยล้วชีวิตเนี่ยโอ้อันนี้มันไม่ดีเนาะไปแก้ไขโอ้นี่มันไม่ดีต้องไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงนะไปฝึกหัดดัดปรับปรุงคล้ายๆว่าเราไฟลนเนี่ยไฟจี้จีทุกวันมันต้องอ่อนเนะี่ย ขี้พึ่งมันต้องอ่อนแล้วก็ไปปั้นเป็นลูกนั้นลูกนี้ได้ว <c oughs> ิถีชีวิตเราหลงทางมามันแข็งมันแข็งฤทธิ์ทิ่มนะันฮะพอเขาลนปุ๊บเอาไฟลนไฟตะบะไฟสติสมาธิปัญญาพวกเธอปฏิบัติธรรมกดูตัวเองผิด พ, พ้องตรงไหนอะไรต่างเนี่พอมาฟังตอนเทศน์นี่เหมือนเขาตีเหล็กตีให้มันเป็นรูปล่างเป็นมีดเป็นควันไปอะไร ไ, ไปใช้เปฟันอันนี้ก็มันลนจนขี้พึ่งมันอ่อนเป็นตัวเป็นปั้นลูกช้างก็ได้ลูกมากก็ได้ลูก อ, อะไรก็ได้แต่ปรากฏว่าเหมือนเดิมบาอนี้เนี่ยเราปฏิบัติธรรมทั้งวัน ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันไม่อ่อนเลยไม่ลนจิตลนใจไม่มีไฟตะบะเผ า, าจิตตัวเองมาฟังเทศคือเกา่าพูดจนกระทังปากนี่ฉีขึ้นมาหึงหูนี่ทางนี้ก็ฉีกมาอ้าแต่ละทีนี่ก็เหมือนเดิมฟังมากถ้าคิดเป็นชั่วโมงบินแล้วก็มากมายแต่ก็เหมือนเดิมเนี่ยถามว่ามีปัญญาไหมอันนี้ไม่มี อันเขาว่าอ้าวทีแรกก็เลือกพันคนที่มีศรัท ธ, ธาวเยะมีต้องมีวันนี้ฟังออกปัญญาเนี่ยแล้วก็รู้ว่าเออความคิดเป็นทุกข์นั่นก็แก้ความคิดไม่แสดงออกมาความคิดทิฏฐิมานะที่มันจะเป็นทุกข์เนี่ยไม่แสดงออกมาพยายามกดมันพยายามดับมันให้มันสงบมันสงัดความโกรธเนี่ยโทสะผู้นี้ไม่ต้องคนฉลาดหรอกมองหนุมหมามันก็รู้นะหมารู้ไหม มีอะไรพเธอโกรธโกรธอารมณ์ไม่ดีเดินไปใกล้หมาเนี่ยมันดูออกไหมหมาเนี่ยดูออกไหมดูออกนะขนาดซ่อนคอนไว้ด้านหลังเดินไปนี่ทํายิ้มไปหมามันดูออกไหมดูออกนะลองไปทดลองดูก็ได้พรุ่งนี้นี่มีอยู่เยอะแยะเนี่ยไม่ต้องมีตาที่ปลอกนะตาหมาก็ดูออกนะจริงๆนะ ปแปลกมากหมานี่นกเหมือนกันกระป้อมก็เหมือนกันกิ้งก่าเนี่ยวันไหนถือนังสติกไปนะไม่รู้มันหายไปไหนหมดวันไหนไม่ได้ถือไปเดินธรรมดาเนี่ยมันออกมาหาเราเ้ามันมันดูออกนะเขารู้นะนกหนูเนี่ยเวลาพระเดินไปมันเฉยมันดูออกนะใจดีอะ่ะแต่ถ้านายพลานไปนี่หาแล้วหาอีกไล่หมาเข้าป่าตามหกก็ยังไม่เจอนะ อันนี้ก็เหมือนกันเน่ยเราปฏิบัติทมเนี่ยเอาโทสะเห็นมันไหมเราฝึกสติแน่เนี่ยเพื่อให้เห็นโทสะถามว่าเห็นมันไหมเวลามันแสดงออกไม่เห็นถ้าไม่เห็นแย่กว่าหมานะงั้เราก็ต้องเห็นมันโอ้เป็ น, นี้เราเกลียใครสแสดงออกต่อคนนี้คนนั้นคนนี้ สังเกตเริ่มเห็นแล้วเริ่มรู้ละเอ้ยกูไม่ทันอารมณ์กูปฏิบัติทำเกิดปัญญาคือได้ดวงตาคือเห็นทำมาลมนี่แหละที่เกิดกับจิตเนี่ยว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ก็แก้ไขไม่ให้มันเป็นทุกข์เราก็เริ่มดูออกดูออกไหมเนี่ยถ้าดูอันนี้ไม่ออกคือจบเนี่ยเขาเรียกว่ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีปัญญาเห็นไม่แบบเนี้ยมันงงงิดแล้วนะนี่มันง่วงแล้วนะเนี่ยมันเบื่อนะนี่ดูวันที่ เห็นมันโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะเราเริ่มเข้าใจวิถีชีวิตอมทุกข์เป็นแบบนี้ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้และสวดนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่หยาบนะเนี่ยนั่นพอเราเห็นทุ๊บอ้าแก้ไขทีแรกเนาะก็ดูใหม่สมาธิมันไม่พอพราะมันพู่มาในสติเราดับเลยมันไม่พอที่จะให้ทุกมันดับเราก็ฝึกสติมากมมา ก, มากจนกระทั่งว่าทุกนี่มันพุ่งมาทุกมันดับไม่ใช่สติเราดับ หลหลายคนปฏิบัติทำแล้วสติดับเวลาทุกข์เกิดขึ้นนี่สติดับคนอยู่ใกล้ๆก็ได้วิ่งหนีกลัวกลัวไฟมันจะไม่เอาโอ้ยไฟมาแล้วพี่ไฟมาแล้วคุณเนี่ยว่าอะไรเพราะเราไม่เห็นไงตอนต้งบอกว่าคนปฏิบัติทำเนี่ยคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือต้องมีปัญญาเห็นความทุกข์นี่ได้ ถ้าไม่มีปัญญาหเห็นทุกนี่ก็อา้าวเ้วาจะปฏิบัติไปทำไมแล้วแต่มนุษย์นี่มันมีทุกคนเน่เชื่อนี่มันมีอยู่แล้วนั่นก็อาศัยการปฏิบัติทรมนนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติทำทำมันนี่แล้วท่านเกิดปัญญาแต่ท่านคำจัดท่านบอกว่า คนในศาสนาของตถาคตก็เหมือนกันมีคนปฏิบัติดีคนไม่มีศรัทธาก็มีศรัทธากม็มีคือเลือกพันธุ์ดีเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้คนศรัทธาในการดับความเกิดแก่เจ็บตายเข้ามาสู่มีแล้วพอปฏิบัติปุ๊บต้องเคียนกม็มีต้องตีกม็มีต้องดุดาต้องบริภาษกม็มีแต่บางคนฝึก น, น้อยๆเหมือนมาเหมือนช้างของท่านนั่นแหละฝึก น, น้อยมันก็นิพพานได้เลย ง่ายง่ายอ่ะแต่มีบางตัวมันก็ไม่นิพานแล้วจะจาคตทำยังไงก็ทำภาษาสดาทน์ทำไงข่าทิ้งเหมือนกันโอ้เป็นสมมณะข่าได้ยังไงจะไม่บาปเลยท่านสอนให้คนไม่ฆ่าปล่อยวางใช่เราฆ่าโดยการปล่อยวางปล่อยวางเหมือนฆ่าพระช น, นะนี่แหละเพื่อเฉยปล่อยมันเป็นอย่างนั้นไปเรืๆๆๆๆๆ่อยเรื่อยเรอย่อะอีกไม่นานมันก็ตายเลยล่ะ แต่น่าเสียดาว่าชีวิตที่เกิดมามันน่าจะเห็นทำมันเนี่ยแต่มันก็ไม่เห็นจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่ากลัวว่าเราเกิดมานี่เราจะกลายเป็นโมฆะบุรุษบุรุษแปลว่าคนปุริสะเนี่ยแปลว่ามนุษย์แปลว่าคนเกิดมาเราเป็นโมฆะบุรุษก็คือเกิดมาเป็นคนแล้วดันไม่เกิดการรู้แจ้งไม่เกิดสติปัญญาไม่เกิดมรรคผลนิพพานทั้งที่เราเป็นมนุษย์เราน่าจะได้คําว่านิพพานอยู่กับตัว แต่เราก็กลายเป็นคนโมคะซะชีวิตเนี่ยเคยได้ยินไหมเขาว่าโมคะบุรุษโมคะบุรุษก็ได้ยินนะพระพุทธเจ้าใจพูดโมคะบุรุษแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าสะทกสะทานแต่ถ้าเราปฏิบัติทำแล้วเราจะรู้สึกว่ามันอยู่ในวิสัยนะอันเนี้ยที่เราจะปฏิบัติทำได้เราไม่ได้จะเกิดมาเป็นโมคะนะโมคะคือ มันเป็นหมันนะ่ะชีวิตเป็นหมันชีวิตเป็นโมฆะเกมนี่โมฆะคือไร้สาระนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแทนที่จะมุ่งไปสู่การพ้นทุกข์กับเป็นโมฆะซะนี่ชีวิตเนี่ยเราก็ไปจมอยู่อะไรสักอย่างซะมันชีวิตนี้เราจงต้องไม่จมต้องไปเป็นโมฆะเดินไปข้างหน้าเพื่อการอย่างรู้สัจธรรมถึงที่สุดทุกข์เข้าสู่ดินแดนภาวะ ของจิตที่เป็นนิพพานให้ได้ในธรรมจักวัฒนสูตรที่พระพุทธเจ้าธ่ามาแสดงเนี่ยพอฟังดูแล้วโอ้น่าเลื่อมใสน่าศรัทธามันก็ไม่ได้เกินวิสัยของมนุษย์แต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้เอาสิ่งนี้มาสอนกันเราสอนเรื่องอย่างเรื่องทําบุญทำทานเรื่องนนสอนแต่เรื่องนรกกับสวรรค์นิพพานนี่ไม่ได้สอนนะท่านจริงจริงนรกกับสวรรค์นี่มันเป็นพื้นฐานที่มีอยู่ในทุกศาสนา แต่าศาสนาพุทธนี่เขาสอนให้ไปนิพพานสอนให้ไปสูุกันดับทุกข์นั้นการดับทุกข์กันถึงที่สุดของทุกข์มันจึงมีในในธรรมจักรปัตนสุขท่านพูดถึงเรื่องสวรรค์ในเนี่ยไลยม่มาทัณโนแล้วอันนี้เป็นธรรมเทศนานะที่ท่านหลังจากตัดสรู้แล้วตัดสรู้แล้วแล้วท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมถึงที่สุดทุกข์เนี่ยตถาคตได้ถึงแล้ว แตถาคตถึงที่สุดทุกทุกแล้วแล้วนํามาสอนปัญจวคีปัญจวคีว่าเขาไม่เชื่อคนหนึ่งเลยไม่คนเลยฟังกว่าเดียวเลยได้คุยกับปัญจวาาคีแก่คนหนึ่งคือโกนทั น, นย์ยะอีกสี่คนไม่ฟังเลยเขาอาจจะเดินหนีก็ได้นะเขาไม่ได้สนใจเลยนะโอ้ยคุยมากนะพระสมณะโคดมเนี่ยคุยเกินไปแล้ว ตัดเซลตัดเซลลอะไรนะไม่เคยได้ยินจะมาอดดีเลยเพราะว่าถ้าท่านอดข้าวอดน้นําไม่จะเชื่ออยู่อันนี้เห็นมากินข้าวอยู่โยกๆนั่นก็เลยได้คุยกับโกนัญญาโกนัญญาฟังแล้วเขาฝึกฝนปฏิบททัติธรรมก็เกิดได้ดวงตาเห็นดำถ้าโกนัญญาเลยไิสอนพวกนั้นอีกสคนนั้นอีกสคนเลยตั้งใจฟังได้ตั้งใจปฏิบัติหมดพรรษาปฏิบททัติธรรมในพรรศาก่อนออกพรรษาก็เลยเกิดการรู้แจ้ง ก็เลยได้พระมาเป็นพยานการตัดสินว่าเออมนุษย์เราเนี่ยถ้าปฏิบัติจริงนี่มีนะได้บรรลุธรรมนะพระพุทธเจ้าเดินเดินจุกมแถวนั้นเล่นๆพันษานะั่นเดินไปเดินมาเดินไปมาที่ป่าอิสีนะตื่นเช้ามากต่เดินจโกมแล้วดันมีโยมคนหนึ่งทีเนี่ยชื่อนายนยศนายยศเป็นบุตรเศรษฐีรนะวยระดับพระพุทธเจ้ามอนกันแหละ ที่ดินเป็นพันไร่ให้คนยืมทำไร่ทำนาทำสวนมีเสนามีคนใช้คนดูแลมากมายหลากหลายมีคนบำรุงมาเลยมากมีเป็นพันพันโกดนะเนวันหนึ่งสนุกสนานเพลิดเพลินกับนานลื่นเลิองแล้วก็เผลอหลับไปตอนคืนเพลียมากตื่นมาต้อนคืนเห็นเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นเลยนางสนมโอ้ยนะสาวใช้ทั้งหลายทั้งปวงนอนละเนละนาด อ้าปากเบื่อแหวกเฮยเขาเล่นพินเล่นคองเล่นกองเ ข, สนขนาสงสารเนี่ยแต่ท่านเหนื่อยท่านหลับไปก่อนตื่นมาก็ขึ้นเห็นเป็นแบบนั้นตายตายตายตา ย, ตายหน้าเบื่อหน่ายโลกแบบนี้คือมันจะมีจุดหนึ่งที่มันอิ่มตัวแหะชีวิตเนี่ยได้หลายคนนะลูกเฒ่าแก่อะไรยังจ่าเนี่คนร่าคนรวยเบื่อหน่ายเขาเข้าวัดก็มีนะหลังจากที่เขาเบื่อหน่ายโลกอันนี้ก็เหมือนกันแต่ก่อนมันไม่มีเบนซ์ไม่มีรถขับขี่ หาเที่ยวไปวัดไปวาไม่มีนะพอตื่นขึ้นมาตอนดึกๆเที่ยงคืนก็มาสวมรองเท้านะใส่รองเท้าเกือบนะเดินออกประมาณสักตีหนึ่งหรือหกทุ่มนี่แหละก็เดินไปอ้อยเบื่อเหลือเกินชีวิตเนี่ยเบื่อนหน่ายมองเห็นเหมือนป่าช้าไปหมดเล ย, เยก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดินไปทางป่า ป่าอิสปตัตนาเมรุกุฏายวันเนี่ยที่สอนลือสีส่วนมากที่อยู่นี้เป็นที่อยู่ของลือสีทั้งหมดคนไหนที่ชอบฝึกฝนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมาอยู่ในเมืองพา ร, รานสีในป่าอิสเนี่ยป่าอิสปตัตนาเนี่ยแล้วแถวนี้มันก็จะมีสัตว์มีเก่งมีกวางมีเนื้อเยอะฤือสีก็ชอบอยู่แถวนี้คนมาทำบุนทำทานก็ดทำงานทำบุญทำทานกินในป่าลือสีเนี่ยก็เดินมาทางป่านี่แหละ ตอนเช้าเห็นพระเจ้าเดินจุกมแล้วจุดี้ใต้แล้วเดินจุกมตีสามตพระเจ้าเดินจูกมเดินมาเอ้าเห็นแสงไฟแต่เขาก็บ่นมานะโอยเซงเซงชีวิตเดินเบื่อชีวิตบุญวาย บาลีเขาแปลว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนออึดอัดขัดเคืองเบื่อหนายไม่น่าอยู่โลกนี้ไม่น่าอยู่พูดไปนนะวัดนี้ไม่น่าอยู่ <mm> มันจะกลับบ้านแล้วนี่ทุกข์นะไม่น่าอยู่ท่านก็พูดพระพุทธเจ้าท่านได้ยินท่านว่าที่นี่น่าอยู่ที่นี่ไม่อึดอัด ที่นี้ไม่มีขัดข้องอา้าวใครวะช่างพูดขึ้นมาได้ที่นี่ขัดขอ้องเนาะที่นี่เบื่อหนายเนาะเบื่อหนายเบื่อเบื่อชีวิตเดินไปพุทธิยาที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่น่าเบื่อหนาย โยมมาที่นี่เถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านเอาทำไมว่าไม่น่าเบือ่อเอามาทางนี้สิเราจะพูดให้ฟัง mm hmm. ก็เดินไปใกล้ๆถอดรองเท้าไว้แล้วก็ค่อยเดินเข้าไปวก็คารวะ mm hmm. โอ้ท่านสัมะอณะ mm hmm. โปรดแสดงธรรมแสดงธรรมก็คือพูดอะไรให้ข้าพเจ้าฟังเถอะให้ข้อคิดขออัดข้าอธรรมข้าพเจ้าข้าพเจ้ากลุ้มใจข้าพเจ้าทุกอะไรมา ท่านเป็นทุกข์เพราะอะไรมาท่านไปทําอะไรมาเป็นอะไรที่เป็นทุกข์ก็ฟังพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมให้ฟังนี่ก่อนนะเนี่ยหลังจากแสดงธรรมาจากพระนัตสุดแล้วเขมาเจอเนี่ยคนนี้จะได้เป็นคนที่หนะเนี่ยห้าคนได้ไปแล้วคนที่หกดูดิท่านก็พูดให้ฟังพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไป ม, มีพูดถึงเรื่องทานเรื่องศีล เรื่องความสุขสบายท่านเป็นระดับเศรษฐีอยู่ในโลกเนี่ยท่านเหมือนเทวดาอยู่บนสวรรค์น่ะมีความสุขจะได้อะไรก็ได้แต่ท่านรู้จักไหมความสุขทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากความคิดถ้าท่านคิดขึ้นมาท่านก็มีความสุขแต่ท่านไม่คิดท่านอยู่เฉยเยมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์แต่เมื่อไหร่ที่ท่านคิดไม่ดีท่านก็เป็นกรรมเป็นบาปเป็นกรรม เหมือนตกนรกที่จริงนรกก็อยู่ในใจนี่แหละสวรรค์ก็อยู่ในใจนี่แหละแล้วแต่ว่าจิตเราจะมีความรู้สึกแบบไหนเราใส่ข้อมูลยังไงเข้าไปอันนี้เป็นบาปมันก็บาปอันนี้เป็นบุญมันก็เป็นบุญมันบุญมันบาปเพราะเราสร้างขึ้นมาเองจิตเราเนี่ยถ้าปล่อยวางซะมันก็ปกตินั้นคนหลายๆทั้งพวงนี่ทำบุญทาทานเพื่ออะไรเพื่ออยากไปสวรรค์สวรรค์แปลว่าสุคติ สุขคติโลกสวรรค์คือทําให้ใจมันสบายจิตมันไปดีมาดีอย่างเราไปไหนมา่ไหนคิดไปเรื่องนั้นปุ๊บเลยกลับมาแบบสบายแต่ท่านรกไปแล้วกลับไม่ได้แต่สวรรค์นี่กลับได้งั้นเราคิดเรื่องอะไรดีๆมันก็ติดอยู่บ้างนะแต่มันก็จะไปคิดแบบสบายๆแบบเขาเรียกว่าสุขตินะแต่ท่านรกเนี่ยคือทุกขติไปแล้วเป็นทุกคิดไปแล้วเป็นทุก แต่สวรรค์ น, นี่คิดไปแล้วสนุกจิตนี่มันไปไม่ใช่กายไปนะจิตมันไปแล้วมันสนุกแต่นิพผ่านไปแล้วดับเย็นพลันกันเธอจะเอาวันไหนพระพุทธเจ้าจถามชีวิตเธอเนี่ยทุกมันก็ไปมาแล้วสุขมันก็ไปมาแล้วสนุกเธอก็มีผมอยากไปแบบดับทุกถ้าอยากไปอยากดับทุกก็ต้องฝึกจิต ฝึกยังไงอา้าวสร้างจังหวะดินี่อันนี้มันก็ตรงก ว, ว่ามาทางนี้นะฮะ น, น่นงรงร้องฝึกคารที่จะฝึกอันนี้ต้องออกบวชต้องออกบวชนะเขาเรียกว่าเนคขมมะเอาออกบวชอย่างท่านเนี่ยมันดีตถาคตเนี่ยมีหมดทุกอย่างแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้ตถาคตออกมาบวชออกมาใช้ชีวิตแบบ ถือเพศบรรพชิตเพราะว่าเพศบรรพชิตเนี่ยมันทําอะไรได้ดีกว่าเพศคารวะคารวะคราคราค า, าสังคารวะมันอึดอัดขับแคบคารืหัดครืหัดก็แปลว่าผู้คับแคบไม่ใช่ครืหัดนะมันอึดอัดขับแคบมันมีภาระธุระมากมายหลากหลายแต่ทีนี้มาบวชก็ยากกว่าเดิมก่อสร้างนะ อยากระบาสร้างโบสถ์สร้างสร ะ, ะสร้างวิหารยากกว่เป็นโลกอยูน่นะวัดว่าวัดต้องคอยรับบริจาคต้องอะไมากมายมันเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนแตถาคตก็เป็นพระราชานะออกมาบวชเดี๋ยวนี้ท่านบอกมาบวชเพราะอันนี้สงฆ์มันสะดวกสบายได้ปฏิบัติฝึกฝนอบรมเราไม่ต้องยึดถืออะไรนะตอนเช้าก็ไปวินธาบาศนะเขาให้ก็กินไม่ให้ก็เราไม่รับเป็นพราชานะ ในในเพศของสมณนะนี้ไม่มีกิจกรรมโครักรรมการเลี้ยงโคอย่างพาณิชย์การเลี้ยงโคเลี้ยงควายเหมือนลูกๆไม่มีพาณิชยกรรมการค้าการขายไม่มีโครักรรมโจรคกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมไม่มีไม่ไดมีในเมืองเนี่ยมันไม่มีอะ ในเมืองของสมณะเนี่ยถือความเป็นอยู่บำรุงชีวิตด้วยการเลียนชีวิตแบบของผู้อื่นเขามีเขาเจียดให้เขาให้คนละก้อนละก้อนก็ถือไว้ใช้ได้แล้วไม่ให้ก็อดก็ทนไปวันนึงหนึ่งเนี่ยแล้ววิธีการขอสมัยก่อนก็คือขอได้ให้ไม่เกินเที่ยงนะ พอได้ไม่เกินเที่ยงถ้าเกินเที่ยงไปก็ปิดอบัตแล้วนะนั้นบินธบา่าทั้งวันถ้าไม่ได้ข้าวก็เขาไม่ให้เกินเที่ยงถ้าเกินเที่ยงก็หมดสิทธิ์แต่ปัจจุบันนี้เรามีมามา่าสัมลองไว้เห็นไหมมันก็เลยไม่มีโอกาสเห็นสัจธรรมเพราะมันไม่กล้าทุกอะไรเลยอะ่ะวันนี้โยมคนหนึ่งนะโมหลวงตาวันนี้โยมทุ่มเทเลยนะตายเป็นตายแหละ กูไม่ได้ฝึกมากูไม่ได้มาหลายวันแล้วจอมเดินแม่มาเลยหิวเป็นหิวอะไรเป็นอ้าวก็เริ่มอะไรอารมณ์ขึ้นมานะนั่นคือต้องกล้าอเ น, นี้ยกล้าอันนี้เขาก็ต้องอดกทนท่านก็ปฏิบัติสบายพระพุทธเจ้าก็เลยว่าอันนี้สองออกกันฝึกบทมีโอกาสได้เฝ้าดูความคิดดูอารมณ์เราจะเริ่มเห็นสัจธรรมว่าจริงๆชีวิตเราที่เป็นทุกข์ ไม่ใช่เพราะมันขาดอานาจวาสนายุทธาบรรดาศักดิ์แต่แบ่งธุระหน้าที่กันงานแต่เกิดจากจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมาทําไงมันจะรู้เห็นเฉยๆนี่ได้ถ้าอยู่ปัจจุบันมันก็จะเห็นเฉยๆลองดูดิเธอดูจิตของเธอดิขณะที่ฟังนี่รู้สึกตัวไปด้วยนี่มันคิดไหมไม่คิดไปยาวขาดไม่คิดเป็นไงสบายไหมสบาย ถ้ามันคิดละ่ะคิดไม่ดีก็ชั่วสองงนเธอชอบมาไหนไม่ชอบสักอย่างดีก็ทุกไม่ดีก็ไปทุกทำไงละ่ะโอ้พันควรจะอยู่ปัจจุบันเนาะก็สว่างแจ้งขึ้นมาได้ดีเลยยังไม่ได้บวชเลยนี่ฟังกันเฉยเฉยเนี่ยญาติโยมตั้งหลายสว่างบ้างหรือ ย, ยังเอาอีกก็ได้นะสักรอบวท่ <c oughs> สว่างท่านได้ดวงตาเห็นธรรมในขนานั้นเลย เกิดแจ้งโอ้เเป็นนี้นี่เองเนาะก็ได้บรรลุโสดาบันเลยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เกิดสว่างเกิดแจ้งขึ้นมาสารเสริญพระธรรมของพระริยาว่าประเสรเิฐสุดเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงเข้าใจจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆรินะธาตุกิรังสตังธรรมูธรรมะทราจะปกรหอให้ธรรมะของพระ บรมศาษาสดาจงสถิตสถาพรช่วงการลราวสารอยู่กับโลกนี้ไปเรื่อยๆข้าพเจ้าชื่นช ม, ชมส ม, มนัตเกิดปิ่มปีติยินดีมีความเชื่อมั่นว่าทุกที่เกิดตัวนี้เยธรมาฮิตุปวานทุกอย่างมันเกิดที่ใจโอ้พอรู้แจ้งเนื่องใจเป็นอย่างนี้เองเนาะกำลังคุยธรรมะกันสว่างบดีเลยมันสว่างก็ตัดสินใจนะยังไม่อยากกลับนะ แต่ในขณะเดียวกันก็มีพ่อพ่อท่านพ่อยศเนี่ยคุณชายยศเนี่ยพ่อเขาตื่นมาพอดีอา้าวลูกชายไปไหนนางบำรุงมาเลยท่างไหลก็เห็นอา้าวคุณชายไม่อยู่นะไปฟ้องหาเมียนอา้าวออกตามแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่ง ออกตามไปทางไหนดีนาะไม่รู้เหมนกันเมื่อคืนนี้นอนตัง้งแต่หัวค่าเลยท่านไม่สนใจเลยรู้สึกท่านเบื่อหน่ายน่าจะน่าจะไปป่าลือสีถ้าเป็นอย่างนั้นนะนะเอาใต้มาเอาขี้ใต้มาจุดรู้จักขี้ใต้นะนั่นแหละไปเลยเดินเลยนะเดินไปเดินไปนะแต่ก็ไม่ลืมที่จะใส่สกอ เดินไปเดินไปก็จําได้ไปทางไหนก็ตามลอยไปเดินไปเดินไปก็ไปเห็นมองไปไกลเห็นแสงไฟอย่างเฮ้ยมีสำมานะองค์หนึ่งคุยกับโยมนั่งฟังอยู่ก็เข้าไปใกล้ๆมองดูรองเท้าอ๋อดีจําได้แอดดาลูกชายเราของลูกชายเราเนี่ยเลยเข้าไปใกล้ๆ พอเขาไปเขายังแสดงทํเขาคุยกันยังไม่จบก็ค่อยๆไปแล้วก็นั่งฟังดูพระพุทธเจ้าก็แสดงทําให้ฟังพูดอีกอันเดิมนัย น, นะท่านสัมมาณเป็นใครโอ้เราเนี่ยแต่ก่อนก็ <c oughs> เป็นฟ้าชายได้ยินไหมฟ้าชายเมืองกระบินพัตนะเนี่ยออกมาบวชบวชเพราะเห็นว่ามันจะเป็นหนทางนำไปสู่ที่สุดของความทุกข์ ไปสู่ความเป็นปรินิพานเราเลือกเส้นทางนี้เพราะเราได้สวรรค์เราก็ได้มาสนุกสนานเพื่อเปินมาแล้วแต่เราอยากได้ที่สุดของทุกเราก็เลยมาบวชแล้วการบวชเป็นยังไงก็ถามก็พูดไปฟังคุณชายยศก็นั่งฟังอีกนะนั่งปนโ ม, มฟังฟังร อ, อบสองก็ฟังอันเดิมนั่นแหละฟังไปฟังไปพอฟังพูดให้ท่านเศรษฐีฟังเนี่ยท่านเศรษฐีปิ๊งกัมา ด, ดีเลยเนี่ย เป็นพระโสดาบันเนี่ยน่อันเสียถีเนี่แต่คุณชายยศเนี่ยปิ้งขึ้นมาเป็นพระสกิทาคามีขึ้นอีกระดับหนึ่งสว่างแจ้ขึ้นมายมพ่อเนี่ยนีุ่มพ่อลูกอยากจะบวชอยากจะเป็นสมมณะเอาแล้วเมียละ่ะปล่อยวาง นางสนมบว น, นั้นแหละปล่อยทิง้งไม่สนใจเลยถือว่าวิถีชีวิตนี่เป็นวิถีชีวิตที่มันดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เงินพวกนั้นก็แจกให้เงินให้ทองเข้าของเขาไปซักไปอยู่กับเขาสักโอ้เอาจริงเหรอแล้วเมียคุณละ่ะปล่อยวางอเอางมียก็แล้วกัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ทั้งห้าองค์นะว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าตลอดชีวิตข้าพเจ้าเลื่อมใสในธรรมเทศนานิมนต์นิมนต์นิมนต์นิมนต์กลับไปเมืองไปที่คาลือหาดของข้าพเจ้าหน่อยไปแสดงธรรมให้กับบริวารทั้งหลายกับลูกกับเมีย เขาให้ฟังหน่อยกลัวเขาจะไม่เข้าใจวันนี้สามีลูกชายเขาไปเจ้าเนี่ยออกมาแล้วจะมาบวชเนี่ยมีมนวันนี้ไม่ต้องไปบินทบาทนะเราทำแปะสะไว้ก็เข้าไปแปะสะนี่รู้จักไม่เป็นอะไรก็คือกินลิมสะนแปะแปะสะก็เข้าไป พอไปปุ๊บก็อ้าวันนี้ไม่ต้องไปทําบุญหมอกบานนะนี่มนุษ์พักุลเจ้าตนมาแล้วก็มาแสดงทําให้ฟังพอแสดงทําให้ฟังปรากฏว่าเมียท่านเศรษฐีปิ้งขึ้นมาอีกอันเดิมนั่นนะก็รู้แจ้งขึ้นมาอีกเมียท่านเมียท่านชายยศเนี่ยก็ปิ้งขึ้นมาอีกเหมือนกันน่ะรู้แจ้ง โอ้เห็นด้วยโอเคบวชเลยพี่เนี่ยมันสบายดีกห้บวชอนุมัติข้าของเงินร้องเท่าไรทำไมไม่เป็นไรต้องของนอกกายท่านเศรษฐีก็ยินดีให้ท่านยศสะกุลบุตร ใ, ในยศเนี่ยชายยศบวชก็บวชก็ได้หกปัญญาวกีห้าคนนี้คนหนึ่งเนี่ย คนเขามันใกล้จะ บ, บานแล้วมันหาที่สุดทุกอยู่ที่นี่วุ่นวายนาะที่นี่ขัดข้องเนา อ, อ้กูเบื่อโลกซะเหลือเกนินเนี่ยแค่นี้แต่พุยยะว่าที่นี่ไม่น่าเบื่อที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ว่างเปลา่าสบายมาที่นี่เดี๋ยจะแสดงธรรมกันไปแค่นั้นก็ตั้งใจฟังเนี่ยมันก็แจ้งแล้วนะคือจิตมันเปิดอยู่แล้วมันก็เข้าถึงทำได้ไวท่านเศรษฐีไปก็ตั้งใจฟังก็แจ้งอีกเมียไปอีกแจ้งอีก ลูกสะพ้ายไปแก้งอีกฉันเข้านะ่ะท่านพูดก่อนฉันเข้านี่นหน่อยก็เกิดปัญญาแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ได้หลายคนตอนนั้นนะทีนี้กล่าวถึงสายของพะยศักด์ห้าสิบสี่คนได้ยินข่าวว่าเฮ้ยบักยศมันไปบวชแล้วนะคนนั้นก็เล่าไปบักยศมันไปบวชแล้วแปลกมากว่าจะไปชวนมันมาเที่ยวอยู่เนี่ยอย่าโน้นนี่ก็เล่าไป เฮ้ไปชวนมันไม่ได้มันปบวชแล้วมันไปอยู่ในาศาสนาของพระโคโดมแล้วเป็นาศาสนาที่เกิดขึ้นใหม่เฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงล่ะไอ้ยศนี่มันก็ไม่ใช่ธรรมดานั่นรับดับนักปรัชญาเราอยู่ด้กัน พ, พูดคุยกันเราต้องยอมรับมันน ะ, สะแสดงว่าไอ้คนที่มันไปยอมเชื่อฟังแล้วยอมบวชด้วยไม่ใช่คนธรรมดานะไปไหมไปดูไหมไปฟังไหมไปเขา หลวงพี่ยศก็เทศแล้วพระบุรยียะว่าแต่ตาคนไม่เทศแนตะ่วันนี้เธอเทศซะพวกเพื่อนฝูงมาก็เทศในฟังก็เทศในฟังแสดงทำให้ฟังว่าการดับทุกข์นี่มันเป็นยังไงทำไมต้องพึ่งทางนี้ทำไมถ้าเห็นทางนี้มันดีกว่าทางนั้นน่ะเ็ราเราให้ฟังแสดงทำให้ฟังก็เกิดความเข้าใจนี่ถ้าอยากทาจริงๆนะ ไม่ต้องมาฟังแล้วกลับฟังแล้วกลับถ้าฟังแล้วกลับมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาไปทำที่บ้านไม่ได้เลยสร้างจังหวะเดินจุกมเนี่ยมันไม่ดีเหมือนทำที่วัดนะถ้าจริงมาทำที่วัดที่มันมีน้ำตกไปนี้ก็ยิ่งเจ๋วเนี่ยก็เลยตัดสินใจกลับไปเอางีกันแล้วกันจะไปขออนุญาตพ่อแม่แล้วจะมาลองทำคิดว่าชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยมันไรสาระแสวงหาอะไรก็ไม่รู้ ราคะโทสะโมหะราบยศเสรเสริญสนุสนันเหมือนคุณชายมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเราได้มาหมดแล้วเนี่ยความสุขความสนุกสระ บ, บายเรียกว่าเราอยู่ในระดับชั้นเทวดาน่ะมีสวรรค์เป็นที่พึ่งบำรุงบำเรอสวรรค์หกชั้นตาหูจมูลิ้นกายใจเราสวยมาหมดอา้าวสวรรค์ได้ยังไงเราได้ไปสวรรค์แล้วสวรรค์ดิเธอไม่เข้าใจเลยคำว่าสวรรค์เนี่ยสวรรค์มีกี่ชั้นหกชั้น ก็ได้ยินอยู่ศาสนาสวรรค์ชั้นอะไรเขาก็ว่าไปสวรรค์ชั้นแรกคือชั้นจาตุมพวกตาตุมจาตุมมหาราชพวกเราทั้งหลายเท่ากับอยู่ในชั้นสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชนะทำไมว่าจาตุมมหาราชเจตุเปโวศีมหาราชก็คือผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่ในทั้งทิศทั้งสีก็หมายถึงว่าคนเป็นผู้มีชื่อเสียงเราไปที่ไหนคนก็รู้จักหมด ไปที่ไหนคนก็รู้จักหมดเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ถ้าจะพูดไปแล้วเรานี่ก็ระดับแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงเนี่ยแม่เลี้ยงผู้เลี้ยงถ้าทางนู้นเขาเท่าแก่เจ๊อะไรประมาณ น, นี้แหละเทวดาก็คื อ, คอพวกเราคนนี่แหละพวกเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยแต่เราเป็นผู้มีชื่อเสียงมีอํานาจวาสนาไปทไหนคนรู้จักหมดเลยเนี่ย เขาเรียกว่าเทวดาชั้นจาตูมโพเันตทั้งหลายนี่เป็นไหมเทวดาชั้นจ่าตูมเนี่ยมันมีหลายตัวนะมาในนี้เทวดาชั้นจาตูมเนี่ยจ่าตูมมหาราชผู้เป็นใหญ่ในทิศทั้งสี่มีชื่อเสียงขจานกระจายทิศาปามกสำนักปฏิบัติธรรมทิศาประมกสำนักเรียนนะก็แปลว่าสำนักที่มีชื่อเสียงนั่นแหละทิศาประมกคือผู้มีชื่อเสียงเป็นรู้จักในทิศทั้งสี่ทั่วทิศสา ที่สานุทิตคนรู้จักอันนี้ก็เหมือนกันมาเป็นเทวดาเนี่ยโอ้โหคนเนี่ยมันมีชั้นยามาชั้นตูสิตาชั้นดาวดึงชั้นดูสิตดูริชั้นนิมมานรีอ่าชั้นปรินมิตตวสวัตีมีสวรรค์หกชั้นเขาเรียกว่าภาวนาพัลลานาถึงสักขะคาถา สกถาคถาคือคําพูดคํากล่าวที่แสดงว่าสวรรค์คืออะไรอ่แต่ก่อนคิดว่าตายแล้วก็ไปเจอไม่ใช่พยศว่าสวรรค์มันอยู่ในใจใจเรามีความรู้สึกนึกคิดเราติดอกติดใจแล้วพอใจในการดําเนินชีวิตของเรานี่แหละวิธีชีวิตเรานี่เราอยู่เหมือนเป็นเทวดาเดี๋ยวนี้แต่เทวดานี่มันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวอีนสนาหน่อยเทวดาก็ตกสวรรค์ตกก็มาเกิดเป็นเมืองมนุษย์ก็คือจนเหมือนเดิมเลยใช้หมดแล้วเนี่ยแต่ สิ่งที่จะแปลเปลี่ยนไปสู่นิพพานหรือไปไหนไปเกิดชั้นไหนไหนได้นะีคือเ ม, อ ม, เมืองมนุษย์เมืองมนุษย์นี่สามารถไปเกิดนั้นก็ได้ไปเกิดเป็นสวรรค์ก็ได้เป็นเปรตเป็นอสุรกายไปเป็นพระเป็นพราหมณ์เป็นอะไรได้หมดอันเท ว, วดาเวลามันจะตายเนี่ยมันจะมา อ, าอวยพรกันไดย้ยินท่านว่าท่านจะหมดบุญแล้วจะไหมคนนี้ก็จะบดคุณคนนั้นจะหมดบุขอที่จตัดสาธุนะขอมาส่งคําอวยพรขอให้ท่านได้เกิดในเมืองมนุษย์นะ ตายจากสวรรค์ชั้นนี้แล้วเนี่ยขอให้ท่านได้ไปเกิดในเมืองมนุษย์นะไปเกิดมงนุษย์พะอเลยเพราะจะได้บําเพ็ญบารมีอยากเป็นพระอินทร์พระพรหมเป็นอะไรก็อยู่ในนี่แหละหรือจะเป็นผู้บรรลุธรรมถึงที่สุดของทุกข์เขาบอกว่าสารตุ ข, ขอท่านได้ไปเกิดในาศาสนาของพระสมณะโคดมนะถึงที่สุดทุกได้ปฏิบัติทำสิ้นทุกข์นะได้มาผลนิพพานนะเนี่ยคอได้ทานกัน เขาจะรู้จักดอกไม้ไปจำตัวมันจะเหี่ยวเทวดามันจะเริ่มหมดอายุไข่นล้วเทียวดอกไม้ไปจาตัวเหี่ยวเหงื่อเจกระและออกที่นั่งแข็งไ ม, ไม่ไม่น่านั่งคือเคยที่อยู่ที่ไหนมันจะอึดอัดขัดเคืองนะดอกไม้ไปจำตัวคือใบหน้านี่จะเริ่มหน้านิ้วคิ้วขมวดเราเห็นนะหลายหลายคนปฏิบัติทมกันหนานิ้วคิ้วขมวดนะแต่พอมัน มีนิพพานใหหนหน้าตาสดใสเบิกบานขึ้นมาโอ้หน้าได้อารมณ์มาหนิไดอารมณ์สมาธิหน้ า, ม, ม, า, นามันจะเบิกบานแต่ถ้าไม่ได้ในหน้ า, นาคิ้วตีนเหยียบมือกากายียบกามันเหยียบหน้าเรามีหมดเลยแหละโอหน้าไม่รับประทานนะวันนี้มันจะมีความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมานะี่ะโอ้ไม่ไหวเนาะอันนี้เอา้าดูสิทธ์ล่ะสวนฉันดูสิทธ์ตูสิตะกับเบวลินนะเห็นไหม ลิ้นลิ้ลินลลินต้นสีดาโรงแรมดูสิทธานีโรงแรมอร่อยบางคนติดสวรรค์ชั้นอร่อยติดการกินไงเทวดาชั้นกี่ตื่นมาก็แดกตื่นมากก็กินอยู่วันี้อยากกินอะไรก็กินติดแต่เรื่องกินเรื่องกินเรื่องกินไปถ้ามีของกินไปวัดป่ามาประโยอาหารอร่อยไหมเนี่ยพวกนี้ติดสวรรค์ แต่มาที่นี่เราก็มีเทวดาระดับเชฟมือทองปรุงให้จนเทวดาพวกที่มาจากบ้านหลงไหลครั้งไร ห, หน้าไปอีกแต่กูไม่ชอบปฏิบัติวะกูชอบอาหารเขา <c oughs> อันนี้มันก็สวรรค์ชั้นเทวดาเียมันเดิมฉันดุสิทธานีอย่าไปติดสวรรค์มาอยู่ที่นี่อย่าไปติดสวรรค์ชันน้นเนี้ยสวรรันตุสิตะเนี่ย ลิ้นเนี่ยมันติดนะเดี๋ยวนี้เขาทำไว้หมดเลยเนะเราขี่รถไปเนี่ยมันจะมีมันติดดาวไว้นิบยับิบยับยิบยับยิ บ, ย บ, ย บ, ยบเขาเขียนป้ายว่าสวรรค์ชั้นคาราโอเกะ <c oughs> ก็หลงเข้าไปในดาวที่มันส่องแสงอย่างนั้นแหละพอไปก็เสียเงินเสียทองกินนั่นกินนี่ไปแล้วว่ามีเทวดามาบรรเลงเพลงเพื่อชีวิต ไปตามเรื่องนะนะนะควายละเบาแสดงให้ฟังจะพูดไปแล้วมีหลงตาลที่วัดเขาบริจาคคือทำบุญํำทานเขารักควายเขามากควายเขาตายนะเขาก็กินเนื้อมันเสร็จปุ๊บนี่เขาก็เอาหัวมันไปถวายวัดหงวควายนะเขียนคำหยาดน้ำใส่ ทำบุญทำทานมันมีนะมีคําสอนนะพวกคําสอนสัตรธรรมปฏิรูปเนี่ยคือฆ่าควายเนี่ยไม่บาปถ้ า, าไปถวายพระเนี่ยฆ่าวัวก็ไม่บาปแต่ต้องถวายพระนะ่ต้องทําบุญนั้นทําบุญทำทานต้องถวายพระถ้าไม่ถวายนี่บาปคําสอนของพระปลอมเขาเขียนก็นนนกไปถวาย แล้วก็เวลาถวายพระนี่ก็ต้องหยาาน้ําด้วยนะหยาาน้ําอ่านัตสิเมะก็สิเมะจะทิมิตะโสก็จะไม่ไปแต่นัตกินัตจะรหยาดน้ำแต่หยาาน้ำไม่ด้วยก็บอกอย่ามาจองเวรจองกรรมเด้อเอามาถวายพระอะไรน้าเนี่ยแต่ควายตัวหนึ่งมันไม่ยอมอ่ะอู้ไม่อยากถวายข้ากูได้ยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นไปรออยู่นนทันเงียบรออ่องนนรออยู่รอเมื่อไหร่คนนี้ตายมา ขึ้นมานี่ยจะจองเวรจองกรรมเขจะฆ่ามันแทนปรากฏว่าไงเวลาขึ้นไปก็ไปถามโย ม, มาบาลเขาก็ถามโยมอาจารยบาลรออยูนนอ่นั่นเอ้านี่ท่านโยมบาลคนนี้แหละที่มันฆ่าเขาไปจะให้ตายเนี่ยเขาไปจะมารออยู่นี่เพื่อจองเวรจองกรรมกับมันนี่แหละนะ พอคนนั้นตายมาันก็มาไหว้อา้าที่ข้าไปก็ได้ทําบุญให้แล้วนี่ยังเจ้ากงทำบุญทาทานที่ไหนฉันไม่ได้อยากแไดงบุญทาทานมันโกหกมันไม่เชื่อเรื่องโยมมาบานเลยถามว่าได้ยาดน้ําให้เขาไหมยาดครับยาดยายาดย า, ด ย, า, ด ย, าดยาดระดับรถดับเพลิงเลยแหละไหนมีหลักฐานอยู่ตรงไหนโยมมาบานก็ว่าเอา้าวท่านควาย เอียงหูดิมันก็เอียงหูเพราะเอียงหูน้ำหยาดมางไหลจอกโอ้นั่นไงเขาถวายห้อยู่เขาทำบุญกันเอาไปเกินเถอะควายก็สมไม่พอใจนี่นะเมื่ไปนั่นตั้งแต่นั้นมาเขาว่าถ้าคนฆ่าบัวฆ่าควายเนะี่ยต้องหยดน้ำให้แล้วให้เอาไปถวายพระบ้างนะสักกิโลนเนื้อแห้งมันนะ่ะแล้วก็ซีนสัน สามสิบกีบหัวคณะบ้างแล้วก็เลือดแล้วก็เพี้ยอ่อนบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์เลยแหละแต่ต้องหย่าน้ําให้ด้วยเพราะมีหลักฐานเนี่ยมีหลักฐานที่ย ม, มาบาลย ม, มทูตเนี่ยคุยกับควายเนี่ยปรากฏว่าไม่ไม่รับบาปรับกรรมเลยตั้งแต่นั้นมาก็คือเขาก็ได้ยมยมทำํำยมคนหนึ่งทําบุญ ไม่มั่นใจหยาดน้ำให้แล้วควายเขาตายเขาลักเขาเลยหัวควายไปแต่ไห้ลงตาแล้วก็ตีไว้ที่สาาเนี่ยหัวมันนะเขามันยาวโมดีนะทีนี่ปรากฏว่ามีเทวดากลุ่มหนึ่งจ้างคารบาวมางานกาชาติสโุโขทัยคาร์บาลมันมันบันเลงนะ่ะมีโยมคนหนึ่งไปขอ ไปขอหัวควายนั่นกับหลวงตาเพราะมันไปตำ บ, บุญแล้วมันเห็นห้อยอยู่ในนั้นหลวงตาผมขอความกรุณาเถอะผมจะได้ควายหัวควายนี่ไปด้วยเอาไปไหนผมเป็นแฟนคลับของคารลบาวจับหัวควายไปแล้วก็หลวงตาชอบวิชาแพะ เอาไปยกนะน้องตาวอาอ้าวอนุมัติเอาไปเลยอย่าลืมเอามาส่งนะว่ะเขาก็เอาไปนะมากระบป๋ารู้คนตีหรอเปล่าไม่รู tai ้นะพอไปอยู่หน้าเวทีก็ยกอยู่แบบนี้เนาะหัอควายมันใหญ่สองจับสองกนนะจับหนึ่งก็น่าจะโก้เพราะสงวนเนาะพอเขามาขอเราก็ไม่รู้จะไหวยังไงเนาะถ้าไม่ให้ผู้ขอถ้าไม่ได้ย่อมไม่เป็นที่พอใจของผู้มาขอ ผู้ถูกขอเนี่ยถ้าไม่ให้นะแต่ถ้าผู้ถูกขอเนี่ยย่อมไม่เป็นผู้พอใจของผู้มาขอผู้มาขอก็เช่นกันมาขอบ่อยๆอยก็ไม่เป็นที่พอใจของผู้ถูกขออืมพระพุทธเจ้าท่านพูดนะเนี่ยผู้ขอย่อมไม่เป็นที่พอใจของผู้ถูกขอผู้ถูกขอถ้าไม่ให้ก็ย่อมไม่เป็นที่พอใจของผู้มาขอ ภาษาหัวควายวะจะได้หัวควายใช่ไหมต้องพูดชัดๆนะเอาไปเลยวะเอาไปเลยเอาไปเชียร์แล้วยลืมมันมาส่งนะเอาไปส่งบ่แล้วเพราะคิดว่าน่าจะได้บุญแหละควายตัวนี้ก็น่าจะชอบคารบาลก็ <c oughs> ไปเชียร์ตามเรื่องเนี่ยคนติดสวรรค์ไงสวรรค์ในนี้ก็มีนะอะไรเดี๋ยวเนี้มี มีอะไรนะไอ้บ้าะอะวงรุตรีอะไรนี่หมดอนะจำไม่ค่อยได้นะเขามาแสดงเมื่อกี้ก็โยมลูกศิษย์วัดก็ <c oughs> ไปปฏิบัติธรรมกับวัดอยู่บ้างนะเขาจัดแสดงอยู่ที่ พูตะวันสิบห้าคณะหมดไปสามล้านกว่าบาทโทรมาถามพงต้ยงานนี้จะขาดทุนหรือ ก, กำไรโอ้ยเป็นที่พึ่งทุกอย่างเลยนอกกูนี่วะจัดแสดงคอนเสิร์ตก็จะมาถามพึ่งขายบัตรไปโยมขายบัตรละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเองนะแต่สิบห้าคณะนะมุ่งเน้นที่นักศึกษาอะไรประมาณ ไม่รู้จะคุ้มค่าหรือเปล่าทั้งหมดก็ประมาณสมล้านกว่าบาทขอจากปตทอบ้างขอจากการท่องเที่ยวบ้างแต่มาสองล้านแล้วเลื อ, อีกล้านหนึ่งก็งคิดว่าขายสามพันใบเนี่ยน่าจะพออยู่จะรู้จะได้หรือเปล่างานเมื่อกี้ไงที่ภูตะวันเขาใหญ่่ไม่ได้ไปเลยในเนี่ยมีไปกี่ศพนั่น เทวดาเขาไปจ้างมาให้หลอกพวกเทวดามิจฉาทิติมาเต้นโยกๆแยกๆอยู่แถวนั้นแหละเราเปลืองเงินสิ้นเงินไปของตางเลยว่าเท <c oughs> ่าที่เล็งยานดูรู้สึกว่าจะขาดทุนนะนี่วะ <c oughs> โอ้ยทําไมไม่บอกแต่ทีแรกหลวงตาตอนจะเลื่มจ้างก็ไม่เห็นมาถามก่อนนะว่า <c oughs> จะขาดทุนนั่นเนะี่ย จ้างตำรวจอีก7จนายคนละ400เนี่ยบวกไปโอ้ยมากมายหลากหลายแล้วยากนั้นเราตั้งหลายก็เหมือนกันอะ่ะอย่าติดสวรรค์ท่านก็สอนเรื่องสวรรค์นี่แหละสอนไปสอนไปสอนไปมันมีสวรรค์อีกแบบนึงนอกจากสวรรค์ฉันดูสิทธ์ก็ฉันดาวดึง ชาวดาวดึงก็แปลว่าหูพวกที่ชอบฟังเสียงฟังเสียงเพลงฟังเสียงดนตรีรอย่าว่าดูสิ่งนี้กินนะลิ้นดาวดึงเนี่ยคือเสียงเพลงเสียงลัมเสียงร้องมาปฏิบัติธรรมบางคนยังจะเสียบหูฟังซาวเบิลอยู่เลยอย่าให้มันปานนั้นอย่าให้สวรรค์มันรบ ก, กวนมันคือต้องออกจากสวรรค์ถ้าท่านจะไปนิพพานเนี่ยอย่าไปติดมันตั้งใจอ้าวฟัง สวรรค์ชั้นฝั่งมีไหมเราก็อยู่เนี่ยนะตาตาหูจมูกลิ้นกายกายก็แสดงว่านิมมาลาีนิมม า, ารดีาคื อ, ค อ, คอติดติดสวรรค์ชั้นชัน้นความสะดวกวอำนวยความสะดวกทางร่างกายความเป็นอยู่การหลับการ น, นอนการอะไรประมาณเนี่ยทางด้านร่างกายความสะดวกเนี่ยความสบายเนี่ยมันชอบแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็มีนะ เขาอยู่ในที่เดียวกันมีสวรรค์แบบอะไรหมอนวดนะเป็นหมอนวดเขาแยกสับนะถ้าหมอคนนี้เขาเรียกว่าหมอนวดแต่นั้นเาเรียกว่านายแพทย์นะนั่นถ้าเป็นผู้หญิงกันานะนางแพทย์นางแพทย์สยามีนางแพทย์นายแพทย์นะ แต่ถ้าหมอหมาเนี่ยเขาเรียกว่าสั ต, แตวแพทย์แพทย์สัตว์โอ้ยมีมากมายหลากหลายแหละแต่สรุปก็คืออะไรก็คือไอความสะดวกสบายเรื่องร่างกายสังขารเนี่ยประเทศไทยถือว่าเ ป, เป็นเป็นที่สุดยอดของแพทย์นะแยวตะวันออกเนี่ยใครยากจะเหมือ น, นด้านการบริการด้านอะไรต่า ง, างเนี่ยอันทางตะวันออกพวกตะวันออกพวก ตะวันออกกลางเนี่ยเขาแห่มารักษาในประเทศไทยนี่มากนะเพราะอะไรเราบริการก็ดีความสามารถเราก็สูงตัดเพศแปลงเพศนะทำเพศกระเทยเพศอะไรต่างาในสุดยอดหมอใดเนี่ยเก่งมากมีหมอคนหนึ่งนะที่โรงพยาบาลสืพิมพ์นะที่ ทำเรื่องเจ้าโลกเจ้าอะไรเนี่ยไปปฏิบัติธรรมแบบหลวงตาเพากเขามีปัญหานั่นแหละคือเขาทำคลินิกอันนะั้นเขาเป็นหมอประจำนั้นเขาก็เล่าให้ฟังดีแ้วเขาไม่ถามพระจะทำไหมแ้วเราฟังฟังดูออมันมีหลากหลายวงการเนาะหลุดมาอยู่กับเราเนี่ยมีทุกแบบเลยเนี่ยทุกประเภทตั้งแต่ น, นักฆ่า มีทุกอย่างแหละนะดลงเดลาคือเขาก็แสวงหาทางออกนะไม่มันติดทำไงเขจะออกแต่เขาออกมาจากนี้น้อยจีรน้อยีน้อ ย, น, อยนั่นเราทั้งหลายก็อย่าไปติดนะติดการกินติดการฟังติดการเห็นติดสวรรค์ชั้นตาหูจมูกลิ้นกายความสะดวกสบายเนี่ยละมันซะามาเนี่ยอย่าไปที่ติดมันการหลับการนอนก็เอาพออยู่ได้ เขาถึงมีศีลงไงเป็นเครื่องทดสอบคนปฏิบัติธรรมหนึเรื่องของกายนี่นะนิมมันรดีเนี่ยนิมมันรดีคือเนลมิตเอากูอยากได้อะไรสิ่งที่กูอยู่กูมีกูเป็นกูเหมือนเนลมิตบ้านแต่ละคนแต่ละคนเหมือนเนลมิดนะ่ยวดามันจะอยู่สูงๆหรอกอยู่สูงๆถ้าอยู่ต่ำๆมันไม่ค่อยมีอ่ะนั้นพวกรวยๆนี่เขาจะอยู่สูงๆบ้านหลายๆชั้นเป็นเทาวเฮาส์เป็น อะไรแบบนั้นหรอกทางกรุงเทพเนี่ยก็จะมีหร อ, อกโดยในต่างจังหวัดในที่ไหนก็ทําหรือบางทีมันก็จะอยู่ตามภูขเขาแล้วพวสร้างเป็นเกตเขาเป็นอะไรที่อยู่ของเขาสะดวกสบายเนี่ยอันสิ่งที่อํานวยความสะดวกสบายเนี่ยชอบแต่งตัวสวยสวย ง, งามๆเครื่ององนวยสะดวกมากๆไปมาสะดวกสบายมีรถมีลาอะไรโกู้รู่หลานี่ยนี่แหละคือสวรรค์ชั้น เนมานาดีมันสะดวกฉั้นถ้าคุณไม่ยอมตกสวรรค์คนไม่มองเห็นสอนว่าของไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นที่อยู่ของกายนะแต่ไม่ใช่ที่อาศัยนะมันไม่ใช่สารณะนะไม่ใชททนะ่ที่พึ่งทางจิตนะที่พึ่งทางจิตนี่เป็นสารณะแต่มันเป็นที่อยู่นะเ น, นี่ยนี่นหน่อยๆนั้นเองถ้ามันมองเห็นมันมันก็ติด ติดสวรรค์ั้นเนี่ยนต้องต้องออกจากมันให้ได้นิมมลดีความสะดวกสบายทางร่างกายอย่าไปติดมันออกได้ไมมเราเป็นแบบนั้นน่า น, นีา่ยท่านจะพูดกับสหายท่า น, นสหายเรานี่แหละที่อยู่ด้วยกันนี่แหละอันหนึ่งก็คือกระยับขึ้นไปหน่อยก็เรื่องของใจตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ชั้นใจ น, นี่ศักะกถานียเนี่ยคาถาพูดถึงเรื่องสวรรค์ เรื่องของใจก็คือปรินิมิตวสวติคือคิดอะไรก็ได้สวรรค์ น, นี่คือคิดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้ดั่งใจคิดมินามซัมป่าละนี่แปลว่าผู้อื่นคิดให้คื อ, อรอเสวยอย่างเดียวตื่นมาก็มีคนชงกาแฟมาตั้งจึกแล้วฟางขี้ตาตื่นมาก็ได้ดื่มแล้วออกไปข้างนอกก็มีคนทําร้านอาหารมันก็ออกไปกินอาหารอยู่ข้างนอกละไปละเดี๋ยวนี้กินข้าวถุงละเดี๋ยวนี้ รนะ้านอาหารกินท่านั้นกินท่านี้ไปได้เรื่อย ๆ, ๆนะแม้แต่สายบาทปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ทำบุญตื่นมานึ่งข้าวนึ่งเป่าไฟจนจมูกดำเนี่ยมันไม่มีนะตื่นสายกดกิ่งเอาไว้ต้นอะไรหกโมงเช้าตื่นล้างหน้าล้างตาเว่งขี่รถไปตรงหน้าร้านหน้าอะไรเนะี่ยมันมีคนตั้งโต๊ะแล้ว รอขายอาหารใส่บาตอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยพระก็ไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้ไปบ้านคนคือไม่ได้ไปโปรดสัตว์ที่โน่นที่นี่นะไปที่ร้านนั่นแหละเดินผ่านไปรอบนี้โยมยังไม่ตื่นมาเดี๋ยวก็เลี้ยว ก, กลับมาใหม่พอกลับมาทีนี้โอ้โยมยัง ม, มาโต๊ะเขาก็ตั้งอยู่แต่ยังไม่มีคนมาซื้อใส่นะแล้วก็เลยมาหน่อยม้วนกลับไปอีกลองไปรอบมาแย ว, ยวนั้นแหละเดี๋ยวก็เต็มคือโยมก็ได้แต่แค่นั้นมาใส่บาตมาซื้อใส่เฉยๆไม่ได้อะไร บุญกุศลมันไม่ค่อยได้เกิดเพราะมันไม่ได้เกิดจากความเพียรพยายามอย่างบุญกรถินหนึ่งเนี่ยกรถิ่นนี้เขาจะใช้ความเพียรพยายามช่วยกันมากๆเพื่อจะเป็นบุญกรถินขึ้นมาเขาเน้นตรงความสามาคัคคีเน้นตรงความเพียรพยายามปร้อมเอาใจใส่จิตใจมันจะรู้สึกถึงความยากลําบากและจิตใจมันจะมีความอ่อนน้อมแต่นี่ขี่รถปลื้ดมาซื้อใส่ปุ๊บแล้วเขามีน้ําตรวจให้ด้วยเย้ไหมมีขวดน้ําให้ด้วยอาาัสสัเมอากาสิม อ่าโยนโนสุขังพังลงังพังลงังแปลว่าเสียงบาทนะเนี่ยนี่ใช่หไหมเวลาเปิดออกนะพังลงังว่าเปิดฝาบาทแปลว่ากินได้พังลังแล้วเนี่ยเปิดแล้วได้แต่แค่นั้นนะ่ะแล้วก็เสร็จพวกสาธุแล้วก็กลับไปเขาก็ไม่ได้หวังผลนิพพานนะวันีมาด้วยกันผู้หญิงกับผู้ชายมาใส่บาท สาธุขอให้เรามีบุญวัฒนะได้อยู่ร่วมกันบนะ้างนะพระคุณเจ้าดูดิหรือว่ามันจะไปนิพพานมันขอลงนรกทำบุญเนี่ยขอไปสวรรค์ได้เฉยมันก็จะมีแล้วมันจะวนเวียนอยู่แบบนี้ชีวิตเนี่ยนั่นก็มาเลื่อนเลือกดูอ้าวกลายเป็นว่าคนทุกคนเนี่ยอยากอยู่แต่สวรรค์ไม่ได้อยากไปนิพพานแม้แต่สวรรค์ชั้นที่อันนี้ยิ่งหนัก สวรรค์ที่สูงที่สุดคือสวรรค์นี่แหละชั้นปรินิมเนี่ยคือสวรรค์ที่สวรรค์ชั้นใจเนี่ยนึกอะไรก็ได้คนอื่นทําให้เนรมิตให้ปะละเป็นเพราะคนอื่นทําให้อย่าได้อะไรคนอื่นจะเนรมิตให้สวรรค์นี้มีคนใช้เนี่ยอันนี้นะมันที่มันแก้ไขา ย, ยากคนมันไม่อยากมาก็เพราะอันนี้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไปทำมาอยู่ที่บ้านก็มีคนใช้ไปนี่เราต้องล้างถ้วยเองนะซักเสื้อผ้าเองนะ แการเราก็กาตื่นเองนะทําอะไรเองหมดวุ้ยไม่เอาแล้วเราสะดวกสบายอยู่แล้ววิถีชีวิตเราจะมาทําไมมันก็เลือกที่จะอยู่แบบชาวบ้านอยู่แบบอยู่สวรรค์นั่นดีกว่าดังพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนสุดท้ายนะท่านต่อสู้กับมารตัวหนึ่งพญามารตอ น, น, นชื่อวัดศีมารตัววัดศีมารก็คือมันประทับอยู่ที่สวรรค์ชั้นปรินิมมิตตาวัสวัตตีมารตัว น, นั่นก็คือความสะดวกสบายที่สุดเนี่ยพอท่านจะบรรลุธรรมเนี่ยท่านจะนึกถึงนะสุดท้านย นึกถึงพิมพาราหุนนึกถึงพระราชวังนึกถึงอาหารการกินมีความสะดวกสบายทุกอย่างแล้วเรามาทุกธรรมาไมาทุกธรไมเนี่ยอยู่ในระดับพระราชวังเนี่ยตื่นเช้ามากมามีผ้าผมเหลืออีกบ้างไหมผมไม่ค่อยไปนะนี่ถ้าอยู่บ้านล่ะโอ้ยสบายผ้าก็ระดับ ดึงขึ้นในเตียงนะสวมเข้าไปเลยใช่ไหมอืมสบายนะหลวตาพูดถึงพระองค์ที่อยู่กับหลวงตาไม่เคยเห็นเตียงแบบนี้นะพาท่านไปต่างประเทศไปประเทศอินเดียขึ้นพักโรงแรมห้าดาวปรากฏว่าเข้าไปแล้วไม่มีผ้าห่มให้นอนเลยใช่ไหม ห้าดาวเมย์มันอย่างผมมีหดผ้าห่มมันไม่มีผ้าห่มเลยมยีแต่ผ้าปูเตียงตายเฮ็ดจะในหลวงตาบะนะเอาผ้าจีวรมาพับว่าพับผ้าจีวรแล้วก็ผาห่มกันบนเตียงหลวงตาก็รอให้ท่านหลับว่าหลวลงตาคือจะสวมเข้าไปของท่านจะได้เอาผ้าอนนี้มาพับแล้วก็หม่มท่านมีชื่อว่าหลวงปู่สัง ตื่นเช้ามากับแปรงฟันที่แรกก่อนก่อนจะอาบน้ำแหละอันนี้มันไม่เคยไม่เคยเป็นเวกานกับเขาเนาะเียวกับ้านนอกนะฉันไม่ใช่ฉันจ่าตูมฉันอะไรเนี่ยได้เปิดก๊อกล้างหน้าแปรงฟันนึกว่าเป็นก๊อกเหมือนบ้านเราเปิดก๊อกตัวหนึ่งเย็นห<ะ>่าเย็นพอเปิดคนก็นกนเอาปากอ้าวี่ขันว้า น้ำร้อนลวกปากนะว่าจะเป็นฟั น, นะร้องตายเลยตายตายตายตายกันเนาะคูถังก็ไม่มีแล้วนะโรตายบะมีคู่ถังดิเอาไปอะไรเอามะจาวใส่กันพปะนะเปิดตัวนี้แล้วก็มาลองเส่ยด้มันมันอุ่นธรรมดานี่โรดถามว่มันบะมีแล้วบะมันบะมี่ทำยังไงเนะาะบะอาบเมย์มะดกนะโรเลมหาดาวแม่์อย่างนา้ําก็ห้อนตายตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็อุ่นให้ตัวนี้ก็เย็นนอนแมยเมื่อหลดแล้ว เดี๋ยวมาแตนี้ผ่าห่มก็บบมีหาดาวเมียไม่จะเดือับาพาชีวันห่มมาโลยตะวอยู่นะบ่าปีบอเล่นะเศ้าเศร้าเด้อแบบเลยอยู่วัดเท่ายังดีกว่าหาดาวนี่นะก็เลยไม่ได้คมกันก็แบบนั้นแหละชีวิตเนี่ยมันไม่เคยเป็นเทวดาเพราะไม่เคยเป็นเดีวก็ดูไม่ออกว่ามันเป็นยังไงนะถ้าไม่เชื่อก็ลองถามดูถ้าเจอหน้านะ ไม่ยอมขึ้นสวรรค์ลเลยนะเนี่ยท่านไม่ยอมขึ้นสวรรค์ไม่ยอมไปสวรรค์นเนี่ยท่านอ ย, าอยู่แบบธรมธรมดาธรรมดานั้นคนไหนที่มีคนใช้มีความสะดวกสบายในระวนันให้ระวังตัวดีๆท่านกําลังเป็นพยาววัดสดีมานนะมานั่นนี่คือมันจะทําให้ติดความสะดวกสบายมันไม่อยากออกแล้วมีความรู้สึกว่าสิทธัฐานเนี่ยท่านเจอมานแบบแบบนี้เอาไม่เอาเอาไม่เอาเนี่ยเอาไปมาก็คือมีความรู้สึกว่ามันจะมาบอกเนี่ยว่า ท่านสีตะทะที่นั่งอะเนียเป็นที่นั่งของข้าพเจ้านะแล้วทำไมท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ท่านจงลุกซะแล้วกลับบ้านไปเถอะกลับบา้บบานไปหาพิมพาราหุนซะไปหาพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพ่อของท่านได้ไปหานางประชา บ, บดีซะไปอยู่กับพระราชบาังที่ท่านสุดวกสบายที่โน่นเป็นของท่านที่นี่ไม่ใช่ของท่านเล้วใจที่นี่เป็นของเราที่นี่เป็นของเราที่แรกก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมนั่ง ที่นี่เป็นของเราเราจะอยู่ที่นี่ก็คือมีขันติธรรม่นะความอดทนเนี่ยอดทนอย่างมากว่าที่นี่เป็นของนั้นมันพูดดีนะจะกลับหรือไม่กลับมนะพระพุทธเจ้าก็เลยมือท่านก็เป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ครับที่นี่เป็นของเรามันก็เลยมีปางมารพิชัยมือจะเป็นอย่างนี้นะดูออกเนาะเป็นอย่างนี้แต่ก่อนไป็มาเป็นที่นี่เป็นของเรา นี่มือจะชี้ลงไปข้างล่างเรียกว่าปานมานวิชัยเนี่ยคือชนะมันที่นี่เป็นของเราแต่หน้าตาก็เหมือนเดิมนะชี้ลงไปนี่เขาเรียกว่าอีกหนึ่งเขาเรียกว่าปางสะดุ้งมานมันบอกว่าจะลุกหรือไม่ลุกที่นี่เป็นของข้าพเจ้านะไม่ใช่ของท่านท่านที่นี่เป็นของเราไม่ลุกหัวาเด็ดตีนขาดไม่ลุกท่านก็เลยรู้แจ้งเลยเหมือนกันเวลาไปเดินทู่กมันบอกว่าเป็นั่งเธอเป็นั่งเถอะคนลุงห้าสิบเอ็ดแล้วกูไม่นั่ง ฮึบไปเลยเนี่ยมันจะแจ้งขึ้นมาเลยมเนว่ไปนั่งสร้างจะวะสร้าน้อยพอ น, นั่งสร้างจั่วยืนเดินนั่งนอนก็ทําได้จร๊ออมานั่งสร้างจั่วมันว่ขยับไปตรงตรงนั้นหน่อยตรงก้อนหินก็ขยับไปอีกไม่นอนเราก็ได้ล็อกนั่งก็ง <laughs> มันจะยั่วเราไปเรื่อยมาเนี่ยทีละเล็กละน้อยละน้อยละน้อยสิทธิานไม่ปูไม่ไปเด็ดขาด อาตมาถือว่าที่นี่ของอาตมาอาตมาทําบุญคือตั้งใจอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นที่อาตมาจะอยู่เขาเรียกว่าที่นั่งวัชระอาจเป็นที่นั่งของบุรุษใจเพชรวัชระแปลว่าเพชรอาจแปลว่าที่นั่งที่นั่งของคนใจเพชรอันนี้ก็เหมือนกันให้เป็นที่เดินของคนใจเพชรเดินจงกลมเนี่ยไม่หยุดไม่ถอยไม่ยอมนะไม่ยอมออกจากที่นั่งแม้มานจะมาประจญ ในรูปแบบไหนก็ตามระดับมารระดับพญา ม, มารแบบสวรรค์ชั้นสูงสุดที่จะเชิญเราไปอยู่สะดวกสบายเสเวยสันติสุขเนี่ยเราก็ไม่ไปเธอนี้ทั้งหลายเชื่เอเถอะถ้ามีรถมารับหน่อยเนี่ยไปหมดแหละวันนี้ก็ยังมีคนมาลงตามันจะเริ่มนั่นญาติป่วยที่บ้านขอโทรศัพท์ไปหาแม่หน่อยนีย่อันนี้ก็มารแบบอันหนึง่ง เขาเป็นอะไรป่วยเอาป่วยก็เรื่องธรรมดาเนะี่ยเดี๋ยวมันก็ตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราไปคิดทําไมเนี่ยเรานี่ป่วยนะบางทีแม่เราอยู่ที่บ้านเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยลูกสาวไปปฏิบัติธรรมป่านนี้มันคงจะบรรลุแล้วแหละนาะโวยสาธุเราจะได้บุญกุศลกับมันที่ไหนได้ลูกสาวมันคิดถึงฟุงงซ่านจะตายไปแล้วมันได้อะไรอะ่ะมันไม่ได้อะไรเลยเหตุผลเนี่ยเข้าทางมารแล้วเข้าทางมารแล้ว มันมันคิดนั่นคิดนี่ขึ้นมานะให้เราไปติดกับดักมันจิตเราก็ไม่เป็นสมาธิเลทีคือคําว่าพื้นที่ที่นี่หมายว่าการให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยออกจากปัจจุบันเสัเถอะออกจากความรู้สึกตัวซะอย่าอยู่กับความรู้สึกตัวอย่าอยู่กับกายนี้คิดไปทางอื่นซะแบบนั้นนะเราไม่เด็ดขาดเราจะอยู่ตรงนี้โอ้ยเยาว์จะนั่งตรงนี้จะมีสติระลึกรู้อยู่ในที่สุดก็รู้แจ้งนั้นทั้งทั้งหลายต้องเด็ดขาดกับมันจะหลงทางมัน ท่านก็สอนว่านี้แหละปรากฏว่าพวกนั้นเลื่อมใสนะกลับมาห้านนบสี่คนไม่เอาละเรื่องสวรรค์ไม่เอาจะเอานิพพานขอบวชกับพระยาศแสดงว่าสิ่งที่พยศบรรลุมาเนี่ไม่ใช่ธรรมดานะตกลงบวชพอบวชแล้วบำเพ็ญไม่นานคนะละสิบกว่าวันก็บรุอาหารหมดเลยพระพุทธาติเลยได้61อดคนในสาวกหสบเอ็ดห้าสิบสี่บวก 1เป็นเท่าไรหร่55บหบวกกับ5ปัจจิบคีทั้งหเป็นเท่าไรหรส6บบวกกับพู้ทีเจ้าหนึ่งเป็นเท่าไรหไร่61อเน่เห็นไหมพันษา น, นั้นได้61คนต้องออาษามาไปเผยแพร่แล้วท่านก็พูดว่าภิกษุต่างหลายจรถาวิกเวจารกังจาริกังพระหุชนะอิตายะโภชนะสุขายะโลกาอนุกรรมปายะเทวมนุษย์สานังภิกษุทั้งหลาย เราบวชมานี่เราปฏิบัติธรรมเราพ้นแล้วจากบ่วงของทิพย์บ่วงอันเป็นทิพย์เนี่ยเราพ้นแล้วบ่วงอันเป็นทิพย์คืออะไรคือสมาธิฌานระดับต่างๆเนี่ยเราไม่ยึดติดละเราพ้นไปแล้วนิมิตต่างๆพ้นไปแล้วเราไม่ยึดติดบ่วงอันเป็นทิพย์น่เนี่ยของทิพย์ที่มันเกิดขึ้นในจิตเนี่ยพ้นแล้วไม่ติดในศีลในสมาธิในปัญญา ถึงวิมุตต์หลุดพ้นแล้วบ่วงของมนุษย์ลาบยศเสรเสริญเราพ้นแล้วเราไปเยผยแพ่ที่ไหนเราไม่ได้ติดลาบคนให้ลาบให้ยศให้เสรเสริญเราไม่ติดแล้วท่านทั้งหลายเป็นผู้ไม่ติดในบ่วงของมนุษย์บ่วงของทิพย์บ่วงของมารท่านไม่ติดแล้วท่านทั้งหลายจงจาริกจาริ ก, กังไปเพื่อผูะหูชนเป็นนันมากไปตามคำมณิคมน้อยใหญ่ไปเที่ยวสั่งสอนไปช่วยชนให้เขาพ้นทุกข์ เพราเขาทั้งหลายก็ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันกับเราเขาอยู่ในนรกติดอยู่ในความสนุสานติดสวรรค์แต่เขาไม่มี น, นิพพานในที่เราพ้นแล้วจงยังประโยชน์จงยังความสุขพระหุชนะอินตายะพระหุชนะสุขายะประโยชน์สุขของมหาชนเป็นอันมากเพื่อเกื้อกูล กับสัตว์โลกของเทวดาพระหฤกัยโลกานุกรรมปายะเทวมนุษย์สานะังไปสอนเขาทั้งที่คนเป็นธรรมดาที่ทุกๆยากๆกับไอ้พวกที่เป็นเทวดานั้นด้วยไม่ใช่หอกไปหาสอนเทวดานะไม่ใช่ก็เทวดาก็คือผู้มีอันจะกินนั่นแหละพวกที่ติดสวรรค์นั่นแนหะทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ไปสอนคํามนุษย์ก็คือธรรมดาแต่พวกเทวดาคือพวกรวยเนี่ยพวกอยู่ ส, งสูงๆเนี่ยมันจะยาก ท่านได้ไปสอนส่วนเราเองก็จะไปทางอุรุเวลาเสนานิคมอย่าให้ไปทางหนึ่งสององนะท่าบอกไปองหนึ่งเส้นทางเดียวไม่ให้ไปถึงสององนะให้แยกกันไปเพราะเรามีน้อยมีแค่หกสิบเอ็ดทศาคตรก็จะไปอีกทางหนึ่งแยกกันไปเลยตั้งแต่วันนะั้นอันนี้ถือว่าเป็นการประกาศาศาสนาเป็นการส่งสมณทูตออกทางานครั้งแรก ตั้งแต่เกิดโลกขึ้นมาพันษานั้นพระพุทธเจ้าผลิตพระลานได้หกสิบองค์แล้วก็ส่งไปประกาศพระาศาสนาไปเผยแพร่ก็ไปสอนตรงนั้นสองตนนี้คนก็บรรลุทำรู้แจ้งมาจนก็ทั้งมาถึงสมัยเราก็ได้รับอิทธิพลของการเผยแพร่ในยุคนั้นด้วยแต่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างมีไหมพระธรรมทูตเป็นยังไง พระที่บวชเข้ามาไปร่ำเรียนหนังสือแล้วเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นหนึ่งนั้นไหมเหมือนที่พุทธเจ้าท่านฝึกฝนไหมเดี๋ยวนี้พระแย่ว่าบ่วงอันเป็นทิพย์เลยบ่วงอันเป็นมนุษย์นี่ก็แย่แล้วใช่ไหมนีติดลาบยศสารเสรือร์นีติดนั่น ต, ติดนี่ติดสารพัดจะติดเนี่ยนัมันไม่พอที่จะไปสอนสอนโลกเอาไปามาพระสงฆ์เจ้านี่ติดมากขยม พระสุบุรีหนักกโยมเดี๋ยวนี้พระกินเหล้ามีไหมมีนะทางนครหวรรเนาะ <c oughs> ชื่อเสียงโด่งดังนะทางนครสวรรค์เนี่ยอีรามายทางโน้นมันมันเป็นยังไงสังคมเขาเป็นแบบนั้นน่ะพระเนนเขาเยอะพระเนนบทเรียนเนี่ยเนาะเยอะที่ไหนมีพระเนนบวทเรียนหนังสือปริยัติสามัญมากเนี่ยมันเป็นข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือ มาตรการด้านการปกครองในใจจ่อนอ่นอนแอการปกครองปกครองไม่ได้นั้นเมื่อการปกครองพระธรรมวินัยไม่สามารถที่เข้าไปสู่ในจิตใ จ, ใจคนวิชาการทางโลกมันเข้าสู่ในจิตใจมากมันหลวมนะมันก็คิดแต่เรื่องโลกโลกนั้นวิถีชีวิตมันก็เป็นเรื่องของโลกเพีเยงแต่ว่าเหลืองมาสวมเฉยๆนั้นญาติโยมทั้งหลายปัจจุบันนี้จึงไลหลายอย่างอะไรที่เขาจะไม่ค่อยศรัทธาพระเพราะเห็นภาพพจน์เป็นแบบนั้น มีมากมายหลากหลายแล้วยิ่งปัจจุบันนี่พระเนนเรียนหนังสือก็กลายเป็นพระตุศเนี่ยแตวไปหมดทางนครสวรรค์มีนะใช่ไหมพระตุษมีไหมหลวงพี่ตุดอย่างเงี้ยมีนะเอะอน ะ, อ ะ, อะก็จะมีทั่วท่วไปมันเป็นธรรมดามันแทรกซึมเข้าไาหมด น, ะนั่นศาสนาเดี๋ยวนี้มันก็ ถามว่าศาสนามันเสื่อมไหมถ้ามองที่องค์กรมองที่ตัวตนตัวบุคคลเนี่ยมันก็คือเสื่อมเพราะศาสนาก็คือเรื่องของคนเมื่อคนไม่ศึกษาศาสนาเนี่ยศาสนาในใจเรามันก็ไม่มีเมื่อไม่มีเราจะเอาอะไรมาเผยแพร่ให้กับคนนะแต่หลักสัจธรรมเนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วคือศาสนามันจเจริญเพราะอะไรเพราะเพราะพระพุทธเจ้ามาบรรลุธรรมการบรรลุธรรมของพระเจ้าก็คือมันเกิดในคน น, นั่นแหละแต่คนนั้นชื่อว่าสิทธะเนี่ย พลุทแล้วท่านก็นมาสอนปัจจุบันนี้ถ้าอยากจะให้าศาสนามันเจริญก็คือคนต้องเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงเยอะๆแล้วก็สอนกันไปเผยแพ่กันไปตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเหมือที่ท่านส่งสมณทูตออกเผยแพ่เนี่ยวจะเป็นประโยชน์แต่นับวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆนานไปนานไปบางทีความหวังว่ า, าศาสนานี้จะเจริญเนี่ยแทบจะหาไม่เห็นนะมีไหมสอนการปฏิบัติธรรมแบบนี้อยู่ทางโน้น มันก็ไม่มีได้ถึงได้มาถึงนี่เนาะมันไม่มีนะมันยากมันน้อยลงทุกทีทุกทีทุกทีวัดมีมากสองแสนกว่าวัดแล้วสามแสนกว่าวัดแล้พระพิสุก็ประมาณสองหมื่นสามหมืนแต่ว่าเป็นสํานักปฏิบัติธรรมในประเทศไทยเนี่ยมีมากไหมก็มีน้อยทีนี้ในสํานักปฏิบัติธรรมที่มีน้อยๆ อ, อยู่แล้วเนี่ยอะไรเนะ่ยที่ไหนที่เป็นของจริงก็ยากเขึ้นไปอีก นะของจริงเนี่ยจริงระดับไหนอีกก็ยากเขาไปอีกเลทีเนี่ยมันยากไม่ใช่ของง่ายนะนั่นจึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายที่มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้ขอให้ทำทจริงๆเถอะนะศาสน า, านี้อาจจะเจริญเพราะท่านทั้งหลายคนใดคนหนึ่งในนี่ก็ได้ในทศวรษหน้าในศตวตรษหน้าศาสน า, านี้อาจจะเจริญเพราะการกระทาของท่านคนใดคนหนึ่ง เหมือนเซนในญี่ปุ่นเจริญเพราะท่านที่ตั้งยุวพุทธิกะสมาคมแห่งแรกของโลกก็คือท่านซูซูกิเนี่ยท่านเป็นนักศึกษาไปเรียนในอเมริกาแต่ท่านสนใจเรื่องเซนเพอกลับมาท่านตั้งยุวพุทธิกาสมาคมตำาในญี่ปุ่นเพรทั้งว่ายุวพุทธิกะสมาคม น, นี้ก็มีอยู่ทุกทุกแห่งทั่วประเทศ ของจังหวัดด้วยของประเทศเดี๋ยวนี้มันไปของโลกแต่ฝีมือของท่านนะทั้งที่สมัยก่อนมันก็ยุบตัวลงเยอะๆแล้วศาสนาพุทธในลังกาก็เจริญเพราะเนรองค์เดียวจนกระทั่งคนเลื่อมใสแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อมาท่านจนได้เป็นสังรัลลานนเนี่ยแต่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนทั้งหลายไม่สนใจนะต่อมาท่านก็มาบวชประเทศไทยนี่นะ มาบวชเป็นพระเพราะในประเทศต่งางๆมันไม่มีพระแล้วมันเสื่อมไปหมดแล้วท่านมาบวชที่ประเทศไทยเขาเรียกว่าทละที่สยามวงก็ไปท่านก็ไปเผยแผ่ก็เกิดเป็นพระเป็นอะไรเยอะแยะขึ้นมากมายเจริญรุ่งเรืองก็พระองค์ก็เนรองเดียวเนี่ยเห็นดูดิท่านไม่แน่าศาสนาพุทธอาจจะเจริญทั่วไปทั้งโลกเนี่ยอาจจะเพราะคนใดคนหนึ่งในนี้ก็ได้หรือพระองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยมันไม่แน่นะ พ่อตราบใดก็ตามที่คนยังมีอยู่แล้วคนมันยังทุกข์เพราะความคิดอยู่เนี่ยคนยังทุกข์เพราะความปรุงแต่งคนที่ยังไม่เข้าใจสัจธรรมคําสอนขุเจ้าคือการตัดสัุสัจธรรมเอามาสอนคนนี้เฉอมันก็จําเป็นว่าคนมันต้องแก้ความทุกข์คนต้องแก้ความคิดความปรุงแต่งทฤษฎีที่บอกอันนี้ตรงๆก็มีแต่ในพุทธธรรม นตราบใดที่มนุษย์ยังมีอยู่าศาสนาพุทธก็จําเป็นจะไม่มีคําว่าล้าสมัยาศาสนาพุทธเนี่ยเพราะมันแก้ความคิดคนแก้กันการไม่รู้แจ้งของคนเฉยแต่ว่าเดยวนี้เราศึกษามันไม่ตรงอ่ะมันบิดมันเบี้ยวมันผิดมันเพี้ยนไปกับอะไรก็ไม่รู้นะจนหาความจริงหรือต้นตอลึกแก่นทำจริงๆเน้่ไม่เจอแต่ว่าเปลือกาศาสนาก็ไม่ต้งทิ้งประเพณนี้วิทยกรรมก็มีไป แต่ว่าให้ใส่ใจเรื่องแก่นมากๆที่จะดับทุกนี่คือแก่นมันไม่ใช่เปลือกมันให้ศึกษาเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านศึกษาเมื่อ 2,500 กว่าปีจนถึงปัจจุบันนี้แหละแล้วบางคนอาจจะถามว่าอแล้วที่สอนอยู่ปัจจุบันนี้เชื่อได้ยังไงว่าเป็นของบุพเพเจ้าเราก็เชื่อตำราก็ไม่ผิดเพี้ยนน ะ, จะเจริญสติ สทิที่สําคัญคือเราปฏิบัติตามแล้วมันก็แก้ทุกได้ดับทุกได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆภาษาพุทไเลยมาจนถึงรุ่นเราเวลาเราทําเราคงรู้สึกมันเป็นทุกจริงๆมีสติสังเกตเห็นว่าทุกเกิดตรงไหนดับตรงไหนมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆน่ะทฤษฎีก็ไม่ผิดปริยัติไม่ผิดปฏิบัติไม่ผิดปฏิเวทก็ไม่ผิดมีผู้ยืนยันคําสอนนี้ได้ที่สําคัญก็คือ เราลองไปทำดูที่ถ้าเรามีสตินี่มันจะดับความคิดดับความปรุงแต่งได้ไหมดับความง่วงความเหงาได้ไหมท่านว่าเจ็ดวันทฤษฎีท่านเจ็วันแล้วมันก็ยืนยันมาสองพันาร้กว่าปีมันก็ยืนยันอยู่เจ็ดวันเจ็ดวันนี้อยู่เนี่ยนะไม่ว่าคนนี้จะเจริญเกิดในยุคไหนก็ตามยังไงก็ตามท่านก็ว่าเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันอยู่ประมาณเนี่ยแต่เราก็ไม่ยอมพิสูจน์ศึกษาทฤษฎีเนี่ยเราลองมาทำจริงๆริงดูดิถ้ามันเปลี่ยนแปลง น, นะเขาก็เปลี่ยนแล้วและเขาว่าเฮ้ย สมัยนู้นมันเจริญสังคมเนี่ยปฏิบัติธรรมต้องประมาณเท่านั้นวันนะทนนีวันแต่มันก็ยังเหมือนเดิมเจ็ดวันแต่เราบอไม่มีเวลาไม่มีเวลาเจ็ดปันก็ไม่มีเวลาธุรกินน่าดีเกินแต่มนุษย์ก็ไม่อยากทุกข์แต่มันก็ปฏิเสธความจริงอันนี้ที่จะปฏิบัติตามตามทฤษฎีของสัจธรรมมเนี่ยจึงไม่รู้จะตอบยังไงเ่ยให้กับคนเนี่ยถึงแม้มันจะมีของดีอยู่คู่กับโลกนี้แต่โลกมันไม่ได้ต้องการ มันก็อาจจะเสื่อมสลายในเวลาไม่ช้าเนี่ยเพราะโลกไม่ต้องการอันนี้แต่จริงโลกต้องการแต่มันก็ไม่ต้องการไม่รู้จะพูดยังไงคนทั้งหลายต้องการดับทุกข์แต่มันไม่ต้องการปฏิบัติธรรมเนี่ยอยากดับทุกข์แต่ก็หลงอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงอยู่กับความสนุกสนานความเพลิดเพลินแต่เขาไม่อยากเป็นทุกข์เอาทํำยังไงล้วมันจะไม่เป็นทุกข์เพราะมันผิดจากสัจธรรมไงเราถึงมาปฏิบัติธรรมนี้เพื่อเข้าหาสัจจะ ให้อยู่กับสัจจะชีวิตจริงอิงสัตจะ จ, จะไม่ทุกอย่างที่ว่าเนี่ยแล้ววันนี้ก็เด <c oughs> ชดเชยวันเมื่อวานให้เลิกเร็ว <c oughs> ถือว่าไม่ผิดเ <c oughs> มื่อวานเลิกสองทุ่ม <c oughs> วันนี้สามทุ่มสิบห้ก็น่าจะได้นะสามทุ่ม20เองยังไม่ถึง20พูดอีกหน่อยนะ อ่าอนมุมตนาเตรียมตัวนั่งคุกเข่าขึ้น